ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธวัชเชาเรื่องล้างอุปท า, านด้วยวิชาสามโดยพระท่านสมณภูทธิรักเมื่อวันที่18ตุลาคม2545ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติตาฟังได้นะบัดนี้ คนเราตั้งแต่กเน็ดแรกมาเหมือนสัตว์เดรัจฉานเหมือนลิงเดินทงทงไม่มีอะไรก็ทำไปอยู่กินไปสืบพัน์ไปแล้วก็ุนเวียนตายไปตั้งแต่แรกๆเริ่มๆยังไม่มีหัวคิดอะไรยังไม่คิดอ่านอะไรมากก็ยังงั้นก็แค่นั้นจนมาก็ค่อยรู้นั่นรู้นี่ค่อยจัดการสร้างนั่นสร้างนี่ทำนั่นทำนี่ขึ้นมาแล้วก็มายึด ยึดถือกันว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จริงจังถ้าไม่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่คนคนก็เลยมีอะไรนต้องหอบต้องแบกบต้องติดต้องยึดต้องยึดถือเห็นเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งที่น่าหวงหน่าแหนเป็นสิ่งที่ยึดติดต้องได้ต้องมีต้องเป็น ถ้าไม่ได้อย่างงั้นถ้าไม่มีอย่างงั้นไม่เป็นอย่างงั้นก็ไม่ใช่คนอะไรนี้เป็นตน้นก็มีกันขึ้นมาสารพัดสารเพจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยหยุดหย่อนในการที่จะสร้างสรร์ในการที่จะทำอะไรขึ้นมาแต่สิ่งที่สร้างสรร์นั่นน่ะมันมากเกินมันเฟอร์มันทำให้เหน็ดเหนื่อย ทำให้ไม่คุ้มไม่คุ้ ม, มคือมันสูญเสียมากกว่าที่จะมีประโยชน์เพราะว่ามันสร้างขึ้นมาแล้วมันก็ทาให้คนสร้างขึ้นมาแล้วก็มาปรุงแต่งให้คนหลงติดติดในรูปในรถในกลิ่นในเสียงในสัมผัสในอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะใช้จิตวิทยาชี้ชวนบอกว่าอย่างนี้เราหูใหม่แปลกมันอร่อยพิเศษ แล้วใจก็ น, น้่งไปตามเขาเออจริงน้ำมันดีอร่อยดีสนุกดีเพลิพดเพลินดีมีความสุขพอได้สมที่เรานึกว่าเป็นอย่างนั้นนี่อุปทานเกิดกิเลสีนเขาชีชช้ชวนพอชี้ชวนเสร็จแล้วก็ยึดเชื่อเขายึดตามเขาเรียกอุปทานแล้วฝังไว้นในจิตอุปทานฝังไว้นในจิตพอฝังไว้นในจิตแล้วทีหลังมาก็ต้อง จากได้อย่างนี้แหละพอมันอยากมีอาการว่าอต้องการอย่างนี้ขึ้นมาก็เรียกว่าตัณหาตัณหาก็เกิดเป็นเขาคลาวจากเข้าเงื่อนของอุปทานเป็นรากเงาของอุปอุดบอยู่ที่อุปอยู่ที่จิตวิญญาณฝังเป็นรากเงาติดยึดอยู่ที่ตายกลบึงของจิตพอมันออกอาการขึ้นมาอยากตามนั้นก็เรียกว่าตัณหา มันคนเราก็จะสมใจในสิ่งที่ไปยืดตามเข้ามาเรียกว่ากิเลสพยึดเข้าไปลราเรียกว่าอุปทานฝังจิตฝังใจเอาไว้ติดจิตติดใจเอาไว้เป็นอุปทานพออุปทานมันออกแสดงบทบาทก็รเรียกว่าตัณหาเพราะงั้นเวลาเราจะเสพเราก็เสพไปสมตัณหาหรือสมอุปาทานเรียกรวมๆก็บวา ก, กิเลสกิเลสเป็นคํำกลางๆเป็นคําที่มันล่ากิเลสนี่คือตัวล่ามา ใครเขา้าวางไงก็ไปหลงเชื่อเข้ามาล่าเอามาติดมายึดเอามาหลงกิเลสก็รวมแล้วก็เป็นกิเลสหมดนะ่ะตัณหาก็เกิดมาตันอกจากความโง่เอาิชารณานอกจากความหลงผิดมันไปยึดไปติดมานะ่ะเป็นหลอกถูกหลอกมาอย่างไงก็แล้วแต่จะหลอกหรือไม่หลอกก็ตามเขาไม่หลอกแต่เราก็ไปติดเอามาเองคิดเองด้วยสร้างเองเข้ามาหลงเองก็ได้ <c oughs> เรากลายเป็นสภาพที่มันเป็นความโง่เป็นเอาวิจาอยู่ในจิตถ้าเราไม่มาเรียนรู้ความเป็นจริงพวกนี้นะแล้วเราก็ล้างล้างล้างล้างออกจริงๆทําทำให้ปล่อยไปจางคลายไปเลิกไปละไปเราก็จะไม่รู้ว่าเออจริงๆแล้วชีวิตนี่มันมีแต่ไ อ, อ้เรื่องงง ง, ง, ง, งเงาเงาเตไปติดไปยึดไปหอบอยู่ในงนั้นน่ะถ้าเราไม่ศึกษาจริงๆไม่ได้เรียนรู้อย่างถูกต้อง แล้วเพ่อนเดิมาทดสอบลองเอาออกเนคขมะเอามันออกเอามันออกละลากมันออกจริงๆโดยอ่านจิตใจเป็นพิจารณาวินิจฉัยกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมอะไรเป็นอกุศลธรรมอะไรเป็นอกุศลธรรมอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรควรทรงไว้อะไรไม่ควรจะทรงไว้อะไรที่ควรอาศัยแม้แต่ธรรมะ สิ่งที่ทรงเอาไว้อาศัยอยู่สิ่งที่ดีพ ร, ระพุทธเจ้าสอนเราแม้กระทั่งขนาดนั้นก็ยังอย่าไปยึดเป็นเราเป็นของเราเลยมันไม่ใช่เราไมใจะของเราหรอกตั้งแต่วัตถุไปจนกระทั่งถึงนามมาทำในอารมณ์จิตแล้วก็มาล้างออกจริงๆถ้าไม่เรียนรู้ไม่ล้างมันก็จะรู้สึกว่ามันจะต้องได้ต้องมีต้องเป็นต้องสุขวัตถุนี้เป็น โอราธิกาัตาเราจะต้องได้เป็นของเราวัตถุแท่งก่อนดินน้ำลมไฟพวกนี้จะต้องเป็นของเรายึดใครแตะก็ไม่ได้หายไปก็เสียดายหายไปก็โศกเศร้ า, สสานี่เรือของเรานี่บ้านของเราใครแตะเรือของเราเนี่ยแมมันคันหัวใจเลยนั่นของกูของกูของกูของ ก, องกูใครมาแตะต้องเอาไปใช้ ดูทีของกูนะเนี่ยใครเอาไปไหนเนี่ยห่างจากกูไปตั้งกูต้องการนะั้นไม่ได้ห่างไปตั้งหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยโอ้ยมันเดือดมันร้อนแคร์หนวใจของกูตายแล้วเอาไปด้วยนะเอาไปติดตัวเลยเรือใครนี่น้ารถเนี่ยจะทิ้งเรือแล้วพอน้ํา ม, มาก็ทิ้งรถพอน้ารถก็ทิ้งเรือ มันซับซ้อนใจเราเนี่ไม่เรียนรู้ว่าเอ้เนี่ยเรายึดติดอะไรกันนักกันนาหอบพวงอะไรกันมากกันมาเป็นของเราเป็นตัวเราเป็นของเราอะไรกันนักจนกระทั่งใครจะแตะไม่ได้ใครจะใช้มั่งใครจะเอาไปมั่งไม่ได้มันจะพรากจากเราไปไม่ได้มันจะตายมันจะต้องถือเป็นเราเป็นของเราในห่วงแหนพวกเนี่ยความติดยึดเป็นเราเป็นของเราเนี่เป็นสุดยอดาศาสนาพุทธในวิเศษที่สุดแล้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้อย่างชัดเจนและก็หัด วางใจเลิกล้างจิตใจที่มันอวิชชามันโมหะมันหลงผิดมันไปยึดเป็นเราเป็นของเราอะไรกันมากมายแต่นั่นแหละเราก็ต้องรู้ดูแลเรื่องก็ต้องดูแลรักษารักษะอารักขะรักษาดูแลเพื่อให้มันเกิดประโยชน์เพื่อมันเกิดสิ่งที่จะเป็นไปดีๆแล้วก็เราก็ได้อาศัยมัน เพในชีวิตที่จะต้องดําเนินไปเราต้องอาศัยข้าวอาศัยน้ําอาศัยปัจจัยสอาศัยอื่นๆบ้างอาศัยแม้กระทั่งเพื่อนฝูงอาศัยความอยู่รวมกันอาศัยวัฒนธรรมที่สุดแม้ที่สุดจึงจะต้องอาศัยเงินอาศัยทองอาศัยทรัพย์สินคานอะไรเขาอยู่บ้างแล้วก็พอรู้พอเข้าใจแล้วเราก็ไม่ต้องไปติดยึดอะไรจนเกินการโอเงินมันไม่มีแล้วมันจะตายชัก เรามาพิสูจน์กันเจอทั้งว่าเราไม่ต้องมีเงินเราไม่ต้องมีเงินสักแดงถ้าถึงเวลาควรใช้ก็ลองดูสินี่ยว่าควรใช้ตรงนี้แหละเราได้โดยทำเป็นเงินส่วนกลางที่เราจะไปเบิกไปใช้บ้างเขาให้ก็อา้าใช้เขาไม่ให้เออไม่ให้หาทางอื่นไม่ให้ก็ไม่เป็นไรคัดวางใจสิบชีวิตเราไม่ต้องมีสิ่งที่คนเขาเดือดเาร้อนนักเกินเขาขาดไม่ได้ เขาไม่มีไม่ได้เขาจะตายชักไม่มีจริงๆต้องไปปล้นไปจี้ไปทุจริตไปทำบาปทำกรรมอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะได้มาต้องเอามาใช้นั่นก็เป็นความจำนรของเขาเป็นความโง่ที่ต้องไปทำกรรมอันเป็นเรื่องสาคัญในศาสนาพุทธในกรรมเป็นเรื่องสาคัญไปทำอกุสุลกรรมไปทำชั่วไปทำบาปกรรมทาแล้วเราทาแล้วก็เป็นของเรา <c oughs> เสร็จแล้วก็มันก็ติดตัวเราไป เป็นทรัพย์ของเราไปโดยเป็นหลงไอ้ข้างนอกเป็นทรัพย์หลงไอ้สิ่งที่มันทําให้เราได้ ก, อก่ออกุสุลกรรมไปหลงไอ้ที่มันมาเกาะยั่วให้เราด้ว่าชวนให้เราก่ออกุสุลกรรมแล้วเราก็ได้อกุสุลกรรมไอ้ที่กาะไอ้ที่ยั่วนั้นนะมันไม่ใช่ของแท้ด้วยมันเป็นของนอกนอก้มันเป็นของแตกต่างมันเป็นของที่ไม่จริงไม่จังไม่ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเป็นแลก มันไม่น่าแลกเอากรรมที่เป็นอกุศลกรรมเป็นแรกอันนั้นมามันไม่น่าแลกแต่มันก็โง่เพราะอะไรเพราะว่ากิเลสตัณหาอุปทานที่เราเองเราไปติดไปยึดไปหลงไปไหลอยู่ในตัวเราเนี่ยจนมันเป็นอํานาจในตัวเราและเราก็แพ้มันนี่เราต้องเรียนรู้ให้ชัดเลยว่าโอ้อะไรแน่ธรรมะอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรควรทรงไวอะไรควรปล่อยวาง ควรปล่อยวางอันไหนควรยึดอันไหนอ่านให้ชัดคนจะได้รู้ว่าโอ้ออยางนี่นี่มันถึงแม้ว่าบางอย่างนี่ดีดีนะเรายัางไอคนชั่วมันจะมันแย่งเอาชั่วไปเราก็คิดว่าเออไอคนชั่วมาแย่งเอาชั่วไปเนี่ยมันไม่น่าจะแย่งเราก็แย่งชั่วไว้ไม่ให้มันถึงเราแย่งเอาไว้เนี่ย ด, ดึงเอาไว้เนี่ยเรา ดึงเอาไว้เพื่อจะไม่ให้คนชั่วมันได้ชั่วไปได้ทําชั่วเราดึงเอาไว้เพื่อให้คนชั่วไม่ได้ทําชั่วบางครั้งบางคราวเรายังต้อง จ, าจํนานนเลยว่าโอ้ต้องวางต้องปล่อยเราจะให้เขาดีไม่ให้เขาทำชั่วกันไม่ให้เขาทำชั่วต้องั้งแต่เราไม่ได้ยึดไว้เพื่อเราหรอกนะแต่เราดึงไว้กันไว้ไม่ให้เขาทำชั่วไม่ให้เขาได้ทําชั่วเพราะเขาไม่รู้ เลยเขาก็จะทำชั่วนั้น <c oughs> ดึงไว้ไม่ได้กันไว้ไม่ได้สุดท้ายต้องปล่อยวางเออเองจะทำชั่วก็ต้องทำปล่อยให้เองทำถ้าเองถ้าไปกันเขาอีกเขาก็จะเล่นงานเราเขาก็จะทำร้ายเราหรือว่าเขาก็จะต้องทำอะไรเสียหายทำลายยิ่งกว่านั้นมากขึ้นเราก็จาต้องวางอะไรพวกนี้ ซึ่งเป็นความซับซ้อนอยู่ในสังคมเราก็จะต้องประมาณเราจะต้องคํานวณจะต้องจัดการไปตลอดคนเราไม่ได้เข้าใจอย่างที่อาตมาพูดนี่มันถึงได้เกิดความเดือดร้อนเกิดความวุ่นวายอยู่ในสังคมมากมายพวกเราเนี่เป็นพวกที่ได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาตามที่อาตมาพาธรรมะมันก็ละเอียดมั่งหยาบมั่งใครที่พอมีปัญญามีบุญบา ร, รมี ฟังเข้าใจก็หัดเลิกละมาได้มีบารมีดีก็เลิกละได้ง่ายด้วยติดยึดอะไรก็เลิกละมาตั้งแต่วัตถุที่เข้าใจง่ายวัตถุแล้วก็มโนโมยะอัตตามโนคือจิตมยะอัตตาคือยึดเป็นผลสำเร็จสำเร็จตัวนี้สำคัญมยะมายังเนี่ย <c oughs> ความสำเร็จตัวนี้ สำคัญมากเลยนคนเราจะต้องให้ได้สำเร็จสมใจสำเร็จนี่คือต้องให้เสร็จดังใจให้ได้ดังใจให้เป็นดังใจนจนกระทั่งสามารถปั้นในสิ่งที่มันไม่เป็นเรื่องเป็นราวจนเป็นเป็นรถเป็นชาติเป็นสิ่งที่สมใจจนสุกมันมารวมอยู่ที่มนโนมยอัตตาหมดจนกระทั่งปั้นเป็นจนกระทั้งมันไม่มีก็จนเครื่องปลอกตัวเอง เป็นเรื่องความรู้สึกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสความร้อนเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันไม่มีจริงเลยมันจนกลับกันไม่เป็นก็เป็นมันจนเป็นไม่มีมันจนมีทําปร้อนให้เย็นทําเย็นให้ร้อนทํามีให้ไม่มีตาไม่มีไม่มีรูปไม่มีของอะไรจนมีจนเห็นอะไรงี้เป็นต้นไม่ปวดจนปวดไม่เจ็บจนเจ็บมันไม่มีหรอกความเจ็บความปวด แต่เราก็มีความเจ็บความปวดนั้นเกิดเป็นจริงๆเล ย, เนยจนสำเร็จมโนโมัยอัตตาเป็นอัตตาที่มันมันสร้างใจเราเองเนี่ยเป็นการสร้างขึ้นมาด้วยใจจนสำเร็จแต่ว่ารูปสำเร็จด้วยจิตจนเป็นรูปเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวนะเทตมาพูดไปนี่อาจจะเข้าใจยังยากอยูอย่นะไม่ไม่ของไม่ใช่ของง่ายต้องเรียนดีๆเะเรียนดีๆ น่าจะได้เข้าใจว่าโอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ของธรรมดานะมันเป็นเรื่องที่จิตเท่านั้นเป็นตัวประธานจิตเท่านั้นเป็นตัวโง่ตัวฉลาดถ้ามันโง่มันก็โง่ไปได้แล้วมันก็พาทุกพาสุขไอ้ทุกๆสุขๆนี่แหละคือวัตตะสงสารคือสิ่งที่เกิดอยู่ในโลกทุกๆสุขๆเดี๋ยวทุกเดี๋ยวสุขได้สมใจก็สุขไม่ได้สมใจก็ทุก ได้สมใจก็เรียกว่าสําเร็จด้วยจิตมา ย, ยังถ้าไม่ได้สมใจก็ไม่ได้สมใจก็ไม่ไมสําเร็จด้วยจิตก็เป็นทุกข์อะไรอย่างงี้ติดยิดอยู่ในจิตอะไรต่างๆพวกนี้เพราะนัะนนน้นเรามาเรียนรู้ธรรมะของพระเจ้าแล้เนี่ยพวกเราอาตมาพาทิ้งพาวางพาปลดพาปล่อยมาแลหลายคนก็ได้หัดปหัดวางนะแต่อุราธิกอ็อตาตั้งแต่ วัตถุแท่งก่อนแต่ก่อนนี่โอ้ติดรูปติดเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรต่างๆนานาต่งเข้าเป็นเข้าเป็นของเป็นของใหญ่ของโตของที่ไม่ใหญ่โตหรอกแต่ของที่ก็สมมติไอ้นี่มันสุดยอดของดีนะสองสวยของงามของหายากเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นทองออทองคำทอง ทองอะไรก็แล้วแต่ทองทองหัวหัวจังรักจังทองทองหัวเสียไม่ได้เสียทองทองหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครจำนวนเก่ายึดไปจังนะเพราะฉเมื่อเรามาหัดปล่อยหัดวางหัดเรียนรู้อัศทะ หัดเรียนรู้รสที่มันเกิดจากการสัมผัสจิตด้วยจิตไม่ใช่จิตหรอกอะไรก็แล้วแต่เอามาสมมติว่ามันมาสมใจเป็นมายังมาสําเร็จด้วยจิตแล้วก็เป็นสุขอะไรพวกนี้มาเรียนรู้แล้วเสร็จโอ้มันไม่ใช่หรอกนี่เราเป็นลงสร้างหลงจริงลงนึกว่าจริงโอ้มันสนุกจริงจริงมันอร่อยจริงจริงมันเยอะยอดเยี่ยมมันเลิศลอยมัน โอ้โหได้เป็นได้มีสิ่งนี้มันสุดยอดจริงๆอะไรก็แล้วแต่มันก็จะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆลดลงลดลงลองอ่านดูสิพวกเรามาปฏิบัติจนปานนี้แล้วลองฝึกดูเออแต่ก่อนนี้ก็ไอ้สิ่งนี้แต่ก่อนนี้กับลีลาอย่างนี้กับความเป็นความมีอย่างนี้แต่ก่อนนี้เนาะโอ้เอยเราเนี่ยติดมันจริงๆ ถ้าไม่มีมันแล้วเหมือนเราขาดขาดเราจะตายจะเป็นถ้าเห็นมันทันไดมัน้ อ, อู้มันกัะดีกระดาห่วงแหนหอบติดยึดถือลองลองดูอ่านเราต้องใช้เตวิชโชจะต้องตรวจสอบเตวิชโชคือบุพเพนิวาสานุสติญาณจตูปปาตญาณอาสวัคคยาญยาณญาณสามอย่างเนี่ย อุเพนิวะสารุสติกหมายความว่ามีสติระลึกถึงสิ่งที่ผ่านมาก่อนผ่านมาเก่าเรื่องราวแต่ก่อนหมดบาทลีลาเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยเรื่องราวแต่ก่อนนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยต่างๆเออนี่นะมันเป็นเหตุทําให้เราหลงทําให้เราติดและให้เรายึดเป็นวักเป็นเวนจะต้องเป็นสุขเป็นทุกข์ เห็นเป็นมีสิ่งท no um, oh, like ี่มันปล่อยไม่ได้วางไม่ได้มันมีค่าเหลือเกินถ้าขาดมันไม่ได้มันนะมันทุกมันไม่ได้หวงแหนถ้าได้มันมามันโอ้มันเป็นสุขเหลือเกินมันรู้สึกมีค่าเหลือเกินเหมือนเด็กเด็กที่หวงตุ๊กตาเด็กๆที่มันยังไม่รู้เรื่องเนี่ยเอาตุ๊กตาตัวหนึ่งกับเพชรเม็ดหนึ่งมาให้เด็กเนี่ยเด็กมันจะเอาเพชรหรือเอาตุ๊กตาเด็กมันก็เอาตุ๊กตา มันไม่รู้จักเพชรยังไม่ได้สมมติตามมันก็จะเห็นแบบตุ๊กตาเนี่ยพิเศษเยียยอดเยี่ยมโอโหยอดสุกยอดพิเศษนั่นแหะมันก็สมมติไปอ่พราะเราก็เหมือนกันแหะเหมือนกับเด็กๆโตๆไปตามวัยตามเวลาองค์ประกอบของมันมากมายเด็กก็ติดอย่างหนึ่งพอโตมัหนุ่มสาวก็ติดอีกอย่างหนึ่งพอวัยขนาดหนึ่งก็ติดอีอ ก, ก อ, อย่างหนึ่งพอแก่ๆก็เหลืออีกอย่างหนึ่ง พอแก่ๆก็ไม่รู้จะยึดไว้ยังไงจะตายจากมันไปได้ห่วงไว้ไม่มากก็ไม่ได้อปล่อยไปบ้างเอาให้คนนั้นคนนี้ไปบ้างแต่ก่อนนี้ก็ห่วงจักพอแก่มหน่อยแล้วโอ้โหไม่รู้จะห่วงไปยังไงที่จะตายอยู่แล้วปลดปล่อยไปบ้างเออดีเหมือนกันให้มันไปมันก็รักเราให้มันไปก็เป็นประโยชน์ให้มันไปก็มีบุญคุณอะไรก็แล้วแต่ก็ปล่อยไปบ้างถ้ามีที่พึ่งหวังว่าเออให้มันไปหมดแล้วมันก็เลี้ยงเราตอบก็กล้าให้ ตา้มันไปหมดแล้วเดี๋ยวมันไม่เลี้ยงเราตอบเราตายนะก็ไม่ให้อะไรก็แล้วแต่แล้วแต่จะคิดเรามาหัดปล่อยหัดวางไปต่างๆนานาพวกนี้เรามารวมกันเป็นหมู่กลุ่มชุมชนขนาดนี้ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องไม่ใช่ญาติแต่เรามาอยู่กันอย่างเป็นสาธารณะปกคีได้ขนาดนี้เนี่ยหัดปล่อยวางอะไรจะได้มาไม่ได้ได้ไม่ใช่น้อยๆนะมันไม่ใช่ง่ายไม่ได้ม่ในง่ายเลยมาในขนาดนี้ แต่พรากคุณมีบา ร, รมีกันมีบา ร, รมีกันบ้างเก่าๆเคยศึกษามาเคยได้ฝึกฝนมามนก็มาพูดมาเสริมต่อเสริมต่อธรรมะก็เลยได้ขึ้นมาเรื่อยๆจะเห็นความจริงขึ้นมาเรื่อยๆโอ้คนเราเนี่ยห่วงแหนติดยึดเป็นวักเป็นเวรไม่รู้จะปลดจะปล่อยเห็นได้ตัวดีๆเถอะ ตรวจเรื่องรเก่าเรียกว่านิทานเรื่องราวต่างๆบุพเพนิว่าสาุสตินิทานต่างๆเรื่องราวต่างๆเรื่องเก่าๆบุพเะบุพเพที่มันเคยเป็นเคยอยู่เคยอาศัยบุพเพนิว่าเคยอยู่เคยอาศัยเคยเป็นมาเก่าๆเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนนี้เอาแต่ชาตินี้ไม่ต้องเอาชาติก่อนนะตอนงแต่เด็กมาเราติดอะไรเราหวงอะไรเรายึดอะไรเรียนรู้ จนเอ้ที่มันอยู่ใกล้ตัวโภชเนมตันยุตาติดยึดอาหารติดเจ้าติดกินแล้วก็อร่อยอร่อยนี่มันไม่ได้ลดในง่ายๆมันอร่อยแล้วก็ติดที่มันควรกินมันไม่กินมันก็อร่อยมันต้องอยากกินอยู่นั่นแหละบางทีอิ่มแล้วนะมันไม่ได้อยากอะไรเท่าไหร่หรอกมันต้องมันจริงๆมันไม่ต้องการเท่าไหร่มันอิ่มอยู่ แต่มันก็มันชวนกินเขากินก็อดไม่ได้เห็นเขากินก็กินตามเข้าไปดึงงั้นแะทั้งๆที่มันไม่ได้อ่อนไนด้เพลียไม่ได้หิวได้โหอยอะไรหรอกกินไปหัดหยุดหัดยังสมัง่งหัดอ่านกิเลตัวเองซะมังว่าตามใจมันนักมันเคยตัวมันก็ชินมันก็ติดล้างไม่ได้ละไม่ได้เป็นมือเป็นคราวให้ชัดๆก็ไม่ได้อดไม่ได้ทนไม่ได้ เคยได้แล้วตอนนี้ทนไม่ได้แล้วเพราะกิเลสมันฟื้นมันยังไม่ตายสนิทอ่านดูดีๆถอนอาสวะยังไม่ได้จิตมันเกิดไม่ใช่จิต อ, อ ก, กิเลสมันเกิดเราลดกิเลสกิเลสมันยังมีชีวิตชีวามากขนาดไหนจุดตูปปตาตยานก็ยานที่อ่านอาการที่มันเกิดกับอาการที่มันเปลี่ยนแปลงไ ป, ไปจุติแปลว่าเคลื่อนไปเคลื่อนไปหายไปเคลื่อนไปจากตรงนี้เป็นภูมิต่า เคลื่อนไปอยู่ภูมิสูงจนกระทั่งไม่ลงมาสู่ภูมิต่ำอีกแล้วจุดติไม่จุดติลงมาต่ำมีแต่จุดติสูงไปสัมโพธิปรายนะมีแต่จุดติเป็นภูมิสูงไปจนกระทั่งถึงที่สุดนนท์ไม่ลงต่ำอีกแล้วนะอ่านอารมณ์อ่านจิตใจของเราอ่ะจิตใจของเรามันจุดติจุดติลงต่ำหรือจุดติขึ้นสูงถ้าไม่จุดติอีกแล้วไม่เคลื่อนลงต่ำอีกแล้วนะั่นแหละก็ตาย ไม่เป็นไม่เกิดไม่มีไม่มาสิงอยู่ไม่ไม่สู่ตรงนี้มีแต่จะไปพักหน้าประไปในภายหน้าสัมปรายะไปในข้างหน้าเลยไปสัมปรายะไปข้างหน้าสัมโพธิปรายณะนะไปสู่ที่สูงแต่แห่งเดียวไม่ถอยหลังอ่านจิตเราดูซิว่าจิตเราแข็งแรงขึ้นขันไม่ถอยหลังไปสู่ ที่สูงจุติจุดตูปปาตะมียานอ่านจุติหรือการเกิดการเคลื่อนที่ไปเกิดในที่สูงอุบัติไปเรื่อยๆเป็นอุบัติเทพไปถึงวิสุทธิเทพให้ได้เรื่อยๆอุบัติขึ้นสู่การเกิดใหม่เกิดใหม่จิตมันจะเกิดใหม่จิตมันทําความสะอาดจิตมันจะล้างกิเลสเก่าหรือความสกปรกเก่าเกิดเป็นจิตใหม่เป็นจิตสู ง, สงขึ้นไปเรื่อยๆ น, นเราเรียนรู้จตูปปาตายานเรียนรู้บุพเพนิวาสานุสติยานทบทวนเตวิชโชทบทวนแล้วเราจะเห็นความจริงว่าโอ้แต่ก่อนนีเราหลงบากรมันติดยึดกับมันมากมายเดี๋ยวนี้เราปล่อยวางมาได้สบายเดี๋ยวนี้ก็เพียงแต่เพียงว่ามีเป็นอาศัยอัตมนี่มีรถเบนนะมีรถเบนใช้นะไม่ใช่เด็กเล็กๆไม่ใช่ธรรมดานะ รถเบนชัถ้าอาตมายังหลงรถเบนอยู่เนี่ยอาตมาก็จะภาคผากภูมิต้องอ่านใจตัวเองแล้ววันนี้เราหลงไหมนี่นะมันรู้สึกว่ามันเขืองมันรู้มันแหม่มันได้นัง่งรถเบนมันมีรถเบนเก่งนั่งไปขึ้นตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเรารู้สึกผ า, ากภูมิรู้สึกมันมีพยองอะไรในตัวมันตกตรวจเราไม่ต้องรถเบนหรอกเรามีอะไรที่ใช้เนี่ยบางทีไปเอาไอความมอสอนี่ยกเป็นค่า เราไม่ใส่เกลือกแล้วนะไอ้นั่นมันยังใส่เกลือกอยู่เลยสู่เราไม่ได้เราใส่ไม่ใส่เกลือกเราใส่แต่งตัวมอซอแต่งตัวมักน้อยสันโดษเขายังแต่งตัวปงเปลืองเฟ้อผันผวนอยู่เลยสู่เราไม่ได้แล้วยกไอ้ความต่ำนี่ไปคมคนอื่นก็ยังได้หรือว่ายังยึดความเหนือเขาสูงกว่าเขามากกว่าเขารวยกว่าเขาดีกว่าเขาค่าแพงกว่าเขา เอามาข่มเขาพวกนี้คือสภาพของมานะการตีค่าผิดระดับยึดค่าที่จริงมานะยึดว่าเราเสมอเขาก็ยังเป็นมานะเลยเพราะยึดว่าเราในต่ํากว่าเขายึดว่าเราสูงกว่าเขายึดกลับกันไปกลับกันมาต่างๆนานาสารพัดเราต่ำกว่าเขาก็ยึดว่าเราต่ำกว่าเขาอยู่นั่นแหะผิดไม่เอาจะต่ากว่าก็จะสูงกว่าอะไรก็รู้แต่ อัตราของมันเราทําให้เจริญขึ้นกันแล้วกันเออเราเจริญขึ้นแล้วนะสูงไปขึ้นไปเลยเขาแล้วก็ไม่เป็นไรดีความจริงดูความจริงเทอะนะแต่ใจไม่ไปขม่มใจไม่ไปกดไปขี่ใจไม่ไปนึกสูงนึกต่ํานึกมีระดับที่เป็นเรื่องผิดระดับอะไรกันนี่เรียกว่ามารณนะวัดให้ดีๆเลยซึ่งลึกซึ้งมากเลยยึดแม้แต่เรากับเขาเสมอกันยึดว่าเรากับเราเสมอกันอยู่อย่นตลอดกาลนานก็ไม่ได้ มานะตั้งเทา่าไรท่านแยกเป็นตังกาวมุมกาวเหลี่ยมถึงสิบสองเหลี่ยมยึดว่าเราตา่ำกว่าเขาเราสูงกว่าเขาเราอะไรก็แล้วแต่สลับกันไปสลับกันมาแม้แต่เราเสมอกันก็ยึดเสมอก็ยังไม่ได้เลยมันเป็นการยึดมันม่นถือมั่นเพราะงั้นสิ่งที่เป็นจริงก็คือความเป็นจริงมันจะเท่ากันมันจะมากกว่ากันมันจะน้อยกว่ากันก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงไม่มีอารมณ์ที่จะไปขม่มไปเบง่งไปทําร้ายไปทําลาย มีแต่จะต้องเกื้อกูลรู้ความจริงว่าเออเขามีน้อยเราก็ช่วยเขาไปเรามีมากเราก็จะเกื้อกูลเขาแม้ในสุดเรามีน้อยเราจะเกื้อกูลเขาได้เราอดลดเราเองเราหัดเสียสละเกื้อกูลเขาบ้างแต่ไม่ใช่เพื่อที่จะไปเอาเปรียบเอารัดไปจะเพื่อที่จะไปยึดดีแต่เราก็ได้ทําสิ่งที่ดีก็คือดีทําดีก็ทําไป แต่อย่าไปยึดดีจนกทั้งเป็นข่าที่จะต้องเอามาเป็นมานะเป็นข่าที่จะมันนั่งมันนั่งตีราค า, ายิ่งพยองอะไรในตัวเองเป็นอัตตาเป็นมานะอาตมาพูดไปพูดไปเนี่ไม่รู้ว่าเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจไหมเนี่ยโอ้โหเก่งยังงั้นเชียว ถ้าเข้าใจได้นี่จริงๆนะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่อาตมาอธิบายนี่เป็น เ, น เ, นเรื่องลึกซึ้งเพราะเราเรียนรู้ธรรมะของพระเจ้าเราจะเห็นได้ว่าเออพระพุทธเจ้านี่ศึกษาสิ่งที่วิเศษเอาสิ่งที่ดีงามว่าสิ่งที่ประเสริฐสุดยอดเลยมาให้เราแล้วเราก็เรียนรู้จริงๆหัดปล่อยหัดวางอย่างนี้คนเรามันถึงจะไปสู่นิพพานไปสู่ความหมดอัตตาหมดอาสวะหมดติดยึดแต่เราก็ต้องอาศัย มันมีภาวะซับซ้อนเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราก็ต้องอาศัยอาศัยสิ่งนี้แล้วก็ต้องอา่านใจมันทดลองใจเราที่อาตมายกตัวอย่างให้ฟังว่าอาตมานีนมีรถเบนซ์ใช้เลยนะแล้วนั่งรถเบนซ์เนี่ยอาตมาก็ต้องดูอืใจเรานี่มันปกติหรือเปล่ามันหลงพยองในเรื่องรถรถลาคันดีคันงามใครแตกใครต้องไม่ได้ห่วงแหนอย่างไรหรือแม้แต่ถือตัว คอโอ้โหมันมันมีอาการมันมีเรื่องราวมันมีบทบาทมันมีลีลามันมีอะไรมากมายกับมนุษย์มนานเนี่ยคนนี้เขารู้สึกอย่างนี้นะคนเขาพูดเขาว่าคนเขามองคนเขาติดเขายึดอัตมาเคยบอกว่าอัตมาจะไม่นั่งรถเบน์จะไม่เอาใครเอารถเบน์มาให้ไม่เอาเพราะกลัวคนมนจะมาว่ากลัวคนจะมาท้วงมาติง คนครัวคนจะมาเอ้ยเป็นพระเป็นเจ้าเอารถซีดีรถบังนั่งรถบังรถเ บ, บนดูอะไรต่ไรกันนนั่นอาตมาเคยตั้งใจว่างั้นจริงๆว่าจะไม่เอารถเบนไม่เอาคนมันว่าจนมันมีเหตุมีปัจจัยมาจนกระั่งเรื่องราวมากเรื่องจนสุดท้ายมันจนมามีจนมามีมามรถเบนแต่ก็ไม่ใช่อย่างเบนที่ชสวยหรูเบนตู้อย่างหนี้นี่นะคนมันไม่รู้สึกว่าเขือ่องม่ารู้เท่ากับบนเบนที่หม่ชนิด เก่งราคาสปอร์ตเบสที่เขายกขามันมีอีกเยอะแยะหลายระดับยังนั้นน่ะเขาจะบอกว่ามันรูหรากว่าหรือมันดูเรื่องอะไรกว่าการจูบเหมือนกันน่ะแต่ถึงงั้นก็ตามแม้ว่าจะเป็นรถเบนตู้นี่อย่างนี้มันมันก็รถเบนต์น่ะมันก็คนมันถือสามันติดยึดแล้วแต่ใครจะสมมุติขนาดไหนถ้าเราติดเรายึด ถ้าเราเองเนี่ยมันมีอะไรที่มันยังไม่เรียบร้อยมันยังไม่ราบเรียบมันยังไม่สนิทมันยังไม่อะไรมันก็จะมีอาการใจนะอย่าว่าแต่พวกเรามีรถเบนซ์เนี่ยมีของไม่ดีแล้วเอาของไม่ดีเนี่มาตีข่ายึดอย่างที่อาตมาว่าฉันไม่ใส่เกือกแล้วฉันแต่งตัวมอสองเนี่ยโก้กว่ายึดติดดีกว่ามันจะยึดแต่ยึดไว้ไอ้สิ่งที่ควรยึดไว้ก่อนก็ดี ยัดอย่างไว้ก่อนคุณยึดมอซไว้ก่อนอย่าไปยึดหลงงูบ่อบาบออย่างเง้นน่ะดีแล้วละ่ะถ้าบ่อบาบองินน่ะคุณก็จะต้องไปฟุงฟฟ้งเฟอ้อฟุ้งเฟ้อจะต้องไปเหนื่อยเน็ดเหนื่อยวุ่นวายแย่งชิงอะไรอู้กอบาปก่อเวรอีกเยอะเพราะเรามักน้อยอย่างนี้มาน้อยอย่างนี้ไว้ก่อนดีกว่ายึดไว้ก่อนแต่ก็ค่อยเข้าใจไปลึกซึ้งอย่างยศจุครูเนี่ยเขายึดเขาแต่งตัวชุดไท ย, ไทยตัวน้อยนี่ถูกสอนไว้ นี่เขาทดสอบเนี่ยโจมดาบเพียนบุญเขาทดสอบอย่าจุกรูเขาแต่งนุ่งผัสสินน้อยๆของเขานะผ้ถุงใส่เสื้อมอหอมนะไปสนามบินก็ไปเจอเด็กๆรุ่นเดียวกันเขารุ่นไยลายเด็กพวกนั้นก็จะมาแต่งอย่างเราที่ไหนก็กแต่งอย่างคนโลกๆแต่งชุดสีสันสวยงามแบบโลกๆ หนาเป็นบุญเห็นเด็กสองคนนี่แล้วมันเปรียบเทียบกันเขาก็เลยอยากลองใจเขาก็ถามดูถามจุกครูจุกกรูชอบไหมนั่นชุดนั้นน่ะแต่งชุดเขาแสงแ ต, แ ต, แต่งตัวสวยๆงั้นไงงามไหมไม่งามหโลโลเขาว่างั้นจุ๊กกรูก็บอกไม่งามหรอกโหลโลเขาว่าโลโลชุดไทยสวยกว่าเขาว่าเนี่ยเด็กมันเริ่มยุดแล้วมันก็ยุดแต่มันยุดอย่างนี้ก็ยังดีกว่าไหมยุด มอสยึดมักน้อยสันโดษยึดวัฒนธรรมยึดอะไรพวกนี้ให้เขายึดไว้ก่อนแต่เขค่อยสอนเข้าไปแล้วเขาจะค่อยรู้แม้อย่างนี้ก็ยังยึดไม่ได้แต่เป็นเพียงเครื่องอาศัยเป็นเครื่องอาศัยที่พอดีพอเหมาะประโติพอสมควรเหมาะควรประโติพอเหมาะพอควรพออาศัยพอเหมาะพอควรลงกันได้ในสัได้ส่วนตามลําดับอาตมานั่งรถเบนนี่พอเหมาะพอควรไหม นะนะก็แล้วแต่ใครจะมอง่เพราะมาพราะควรไม่สมศักส์สมสีไหมอะไรเงี้ยถ้าคนบอกว่าอเออไอ้ น, นี้มันมากไปมันไม่มอสอมันไม่มักน้อยมันไม่สันโดษมันนั่งรถเบนซ์เห็นไหมเราคิดในยะซับซ้อนไปได้อีกมากเลยเ อ, เ อ, อ, อะไรก็แล้วแต่แต่พวกคุณรู้เหตุรูปผล น, นะรู้เหตุนิทานสมุทัยปัจจัยต่างๆรู้เรื่องราวลีลาองค์ประกอบมาเยอะและจากธรรมาก็พวกคุณฟังแล้วบอกว่า เอออาตมาพอเหมาะไม่มีปัญหาหรอกอย่างนี้ปะโหติเป็นไปได้พอเหมาะพอสมไม่ได้ดูอะไรแต่ไดนั่นก็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณมองแต่อาตมาก็ต้องมองอาตมาว่าอาตมาพอเหมาะไหมอาตมาควรจะทำหรื อ, อยังหรือไม่ควรอะไรต่างนาะนาะก็ดูไปนะมากบ้างน้อยบ้างอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันไม่ได้ไม่แน่ไม่นอนไม่องประกอบไม่เที่ยงทุกอย่างไม่ไม่เที่ยงหรอกสิ่งที่ประกอบอยู่สิ่งที่ประชุมกันอยู่ โดยองค์ประกอบต่างๆเนี่ยมันไม่เที่ยงไม่ตายตัวยุคพระพุทธเจ้าก็อย่างหนึ่งยุคนี้ก็อย่างหนึ่งคนละเรื่องคนละราวคนละเวลาคนละยุคคนละองค์ประกอบนะเดียร์ตมาหยิบมาอธิบายพวกนี้เนี่ยเพื่อประกอบในการให้คุณเรียนรู้ให้คุณได้เข้าใจว่าโอ้ความซับซ้อนในอะไรตอะไรต่างๆน า, นานานี่มันหลากหลายมันมากมายเพราะฉะนั้นบางอย่างเราควรยึดไว้เพื่อ ในฐานะของเราเพื่อเราฐานะของเราต้องอาศัยขนาดนี้ยึดขนาดนี้ก่อนพอยึดแล้วก็ปล่อยจะเลื่อนขึ้นหรือเลื่อ น, ล, อนลงจะมากขึ้นหรือน้อยลงเราก็ต้องอ่านความจริงของเราบางทีเราต้องให้มันเออเพิ่มขึ้นหน่อยลองดูอย่างอาตมานี่มาเพิ่มมันนั่งรถเบนแต่ก่อนไม่เอาแล้วจะนั่งแต่แค่รถญี่ปุ่นนี่ยรถฝรั่งรถเบนไม่เอาแต่ทีนี้ก็เปลี่ยนแปลงใจเปลี่ย น, ยนใจเออเอ า, เอาลองนนี่ขึ้นมาดู เสื้ออาตมาเองก็ลองตัวเองด้วยลองคนอื่นด้วยลองผลกระทบผลสะท้อนด้วยพอเข้าจริงแล้วมาถึงวันนี้แล้วมันก็ไม่ดูไม่เห็นมันมีคลื่นอะไรมากมายคลื่นผลสะท้อนสะท้อนอย่างงู้นอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรแม่แต่โดยเฉพาะพวกเราทดสอบพวกเรานี่แหละมีตั้งแต่ตอนแรกจะซื้อรถเบนด์โอ้โหทะเลาะ ก, กันจังเลยคนนี้บอก อ, อะไรกัพอท่านจะมันซื้อรถเบนด์นั่งรถเบนด์ ทะเลาะกันใหญ่เลยไม่ถูกต้องกันนั่นน่นคนบางคนก็บอกอานาเหมาะสมหน้าให้พอได้นั่งเหอะอะไรโอ้โหทะเลาะกันหน้าดูเลยอาตมาไม่เอาตอนแรกเขาก็ทะเลาะกันเถอะเข้าข้างเพราะอาตมาบอกไม่เอาตอนแรกก็เข้าข้างพอตอนหลังอาตมาบอกว่าอาตมาเอ า, เอาเอาเปลี่ยนข้างเข้าข้า ง, างทะเลาะกันอีกแล้วนี่เป็นเรื่องของการวางยาให้พวกเราหัด หัตปลือหัดปล่อยวางหลายคนวางยังไม่ได้ก็มีอยู่ป่านนี้เอาไม่รู้จะหอบไปถึงไหนกันไม่รู้แล้วแต่นะเขาจะหอบเขาจะ อ, าอะไรไปจนมันผ่านมาจนป่านนี้แหละยังคนยังวางไม่ได้เนี่ดูดินั่งรถเบนเนี่รถศรัทธาลถความนับถืออะไรก็แล้วแต่ก็ยังมีนะจะมีมากมีน้อยแล้วแต่บางคนก็ยังติดยึดนะนี่อาตมาหยิบม า, าอธิบายให้ฟังเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องย่อย อตาตมาไม่นั่งแกล้งออกนะอตาตมาทำเลยอตาตมาดูที่อตาตมาบอกว่าอตาตมาจะไม่นั่งรถเบนจกก์จักรยานยนมาจนท้ายตอนแรกๆอตาตมาก็บอกไม่เอารถเบนจ์ไม่เอาจริงๆเฮไม่เอาพอตอนหลังมาคิดในหลายๆสาระต่างหลายๆเหตุปัจจัยหลายๆเรื่องมาเออไว้เอา้าเอาข้าลองดูพอเปลี่ยนใจมาเอาลองดอูก็เกิดปฏิกิริยาก็บอกเออก็ดีเหมือนกันแหละนายศึกษากัในแน่ฝึกปรือนี่มันก็คือสภาพคือสภาพของสังคมเป็นไปก็ลองดู นะสรุปแล้วเราต้องดูที่เราเองอย่างอาตมาเนี่ยอาตมานั่งรถเบนท์อาตมามีกิเลสมีจิตมีใจมีอุปทานมีอะไรหรือไม่ห่วงแหนหรือเกิดจิตเกิดอาการโอ้โหภาคภูมิหลงพยองในตัวหลงมีอารมณ์มีเงินอย่างนี้มีอะไรหรือไม่ต่างๆนานากนะ็อยู่ที่อาตมาอาตมามีก็คือมีไม่มีก็คือไม่มี ตามความเป็นจริงอย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันหลายอย่างที่มันจะต้องเป็นไปที่เราจะต้องค่อยๆรู้เช่นอย่างพวกเรานี่อาตมาว่าไม่ต้องไปอยากได้ของราคาแพงๆเราไม่เคยมีเพชรไปหาเพชรมาใส่ลองดูซิไปตายเพชรสักเม็ดหนึ่งแล้วมาใส่มาใช้เราจะได้รู้ว่าเรามีกิเลสกับเพชรไหมไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องไปเที่ยค้นขวายไม่ต้องไปเอื้อมหรอกมันจะเป็นไปตามธรรมมันจะเป็นเองไปตามธรรม เป็นไปเองไม่ต้องยากและมันจะดูตามวาระอย่างอาตมาเนี่ยบอกให้ฟังเลยอาตมาพิสูจนดูมุมหนึ่งนอาตมาดูว่าทำไมอาตมากลับใจมาจาอ้ารถเบนส์ก็รถเบน์ซื้อรถเบนส์ก็ลองดูสิว่ามันจะเป็นไปได้ไหมอาตมาก็จะลองดูว่ามันเป็นไปได้อย่างใดมันจะเป็นฐานะอาตมาไหถ้าเผื่อว่าอาตมาจะนั่งรถเบนส์คันนี้เนี่ยนะเขาจะซื้อรถเบน์คันนี้ให้อาตมานี่ เสร็จแล้วก็เป็นเรื่องเดือดร้อนโอ้โหหาเงินไม่ได้ไม่มีเงินเพราะว่าเงินอาตมาไม่มีสักบาทใช่ไหมพวกเราเนี่ยจะดูแล ก, กันคนนั้นคนนี้ก็ต้องไปเรียรายโอ้โหเป็นที่เดือดร้อนเลยนะมันไม่พอที่จะซื้อรถเบ้นได้พอทันแล้วหนึ่งเงินขาดต้องไปเรียรายต้องไปอาตมาต้องเบรกแน่นอนเลย ต้องเบรกแน่นอนเลยถ้าเผื่อว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอตมาดูแลบอกโอ้โหอย่างนี้มันไม่เกิดดีไม่เหมาะสมอตมาไม่ได้อยู่ในฐานะจะนั่งรถเบนต์คันนี้ได้เลยเพราะว่าก่อให้เกิดความเดือดร้อนคนที่ต้องไปเไรียร้ายคนนั้นต้องไปนี้เอาเข้าจริงมันไม่ใช่มันก็ได้พิสูจน์ตัวเราเองฐานะตัวเราเองรถเบนต์คันนี้นี่ซื้อไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไม่ได้เดือดร้อนใครคนเต็มใจมาคนนั้นจ่ายมาห้าแสนคนนี้นจ่ายมาเจ็ดแสน คนเขาเข า, เขาไม่ได้เดือดร้อนเขาเขาเต็มใจไม่ได้ไปบอกไปได้อะไรเาไม่ได้บอกบ้างอะคนบอกรู้ข่าวกันนะ่ะนิดๆหน่อยๆสำหรับคนที่รู้กันบางคนก็ออกหบาท10บาทมีเหมือนกันรอยหนึ่งซื้อช่วยซื้อรถเบนซ์ซื้อคนอกออกหมือนหนึ่งสองหม่รวมกันรถเบนกันนี้ซื้อเสร็จแล้วจ่ายเสร็จแล้วเรียบร้อยหมดแล้ว เรื่งเงินอยู่ห้าแสนที่คนทําบุญมารนเป็นซคันนี้จ่ายเสร็จเรียบร้อยซื้อในราคาสองล้านแปดจ่ายหมดหักรบ ล, บลบอะไรกันเรียบร้อยเสร็จของที่จ่ายเงินไปแล้วเนี่ยก็ถือว่ามันของได้ฟรีเนาะจ่ายเงินเสร็จแล้วนี่ยมันของได้ฟรีไม่ได้ค้างหนี้ค้างสินอะไรกันเรื่องเงินอีกห้าแสนรถเบนซคันนี้ ก็แสดงว่าเออมันก็อยู่ในฐา น, นะพอเป็นพอไปเนี่ยนะอาตมาเล่าให้ฟังนะเล่าให้บวเราฟังถ้าไม่เล่าก็ไม่รู้นะเองเนาะฐานะเราก็พอเป็นพอไปมันก็อยู่ในฐา น, นะมันพอไปจริงๆนะถ้าเผื่อว่าเกิดโอ้โหนี่มันเดือดร้อนต้องไปเที่ได้บอกเลื่องอะไรกันไม่พอมาหน่อยส่ช่วยหน่อยสิเนี่ยซื้อรถเบนได้พอทันมันไม่พอ ไม่ตกเครื่ราว่าอ้าวเรียอยะไรเจ้าข่าเอออยซื้อรถเบนซ์ในพอทันนั้นนี่มาประกาศกันขายหน้ากันตรงนี้เลยนะใครจะทําบุญมาเร็วแล้วก็คนนั้นก็นมาเลยตั้งตู้ไอ้อย่างนี้อาตมาต้องระ ง, งับแน่นอนเลยบอกโอ้ถ้าอย่างนี้นะนาอาตมาไม่พอขาย อ, อย่างงี้ไม่ทําเด็ดขาดอย่างงี้เป็นต้นนะฟังดีๆมันอาจจะยังยากอยู่บ้างนะฟังๆแล้วคุณาบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรบ้าง มันเปนความซับซ้อนที่ลึกซึ้งเสอาธิการอธิบายไม่ได้อ้าวตอนนี้มันกี่โมงแล้วเนี่ยอาจจะตีห้าตีห้าแล้วสมณะจะไปบินทบาทก็ไปได้ตอนนี้ออกไปบินทบาตก็ตีห้าเตรียมตัวไปเดี๋ยวเรือเรืเรเรจะออกตีหนะ้าสบพลานําไปได้นะอธตมาก็จะเทศไปเรื่อยๆไม่แน่นอาจจะถึงสองโมงแบสองโมงเช้าอะไรก็เทศไปตามธรรมดาถ้าไปเทศถึงสองโมงเช้ากว็วันนี้เราก็ไม่ต้องกินข้าวนะ พ่อว่าไม่ต้องไปทำอาหารแล้วก็วันนี้เป็นวันฉลองฉลองน้ำนะแต่อย่าไปกินน้ำมูลน้ำไอ้นั่นไม่ดีแต่เดียวมันเกิดโรคนะตอนเช้ามีีาออ่ี่ตนี้น้กลังยุบไหลแห้งช่วยกันที่โรงสีที่หอง้าผมกลังน้ยดีทไมต้องตัน้เออจริง นะตอนนี้เราเรารู้เวลาตอนนี้เรารู้จะกกาละเวลาตอนนี้เราจะต้องขัดต้องขัดสีชวีวันขัดบ้านขัดเรือนขัดแหล่งทํางานขัดอะไรพวกนี้ตอ น, นนี้น้ํากําลังพอดีพอเหมาะมาันพอตักน้ํามามันต้องไปตักไกลไม่ต้อง อ, อะไรเนี่ยพอกําลังพอดีพอดีกําลังขัดได้ใช้ดีอะไรเนี่ยเราก็ทำซะให้ได้จังหวะพวกนี้คือความฉลาดที่เราจะต้องรู้กาละเวลาที่จะต้องกระทําท ว, วันนี้มีอย่างที่เิกรมาตกล้าค้ามฝันบอกว่าวัาเราจะมีกีฬาวัง น, นั้นก็อาตมาว่าเทศไม่เกินหกโมงหรอก6โมงอย่างมากนะหกโมงแล้วก็ไปช่วยกันทํานั่นทำนี้มีกีฬาอริยะก็คืออย่างนี้แหละอาตมา ก, กำลังจะพูดเหมือนกันว่ากีฬาหรือว่าสิ่งที่เราไปยึดติดสมมุติว่าอย่างนี้สนุกอย่างนี้อร่อย อย่างนี้แหละรู้สึกว่าน่ายินดีฉันทะนะเราจะเข้าใจแล้วเราก็สมมุติเอาคนได้ถ้าไปแข่งกีฬาเข้าไปแข่งกันเตะลูกฟุตบอลตีไอ้ลูกขนไก่ตีไอ้ลูกเทนนิสหรือจะอะไรกันแล้วแต่เถอะแทงเป็นเลียดเสร็จ แ, แล้วก็มีความสามารถของคน ทำได้ก็บอกเก่งว่าชนะสิ่งเหล่านั้นทําแล้วมันไม่เกิดผลตามมาอะไรนอกจากสิ่งที่เป็นทุนนิยมก่อสร้างขึ้นมาสร้างจิตวิทยาสร้างอะไรอะไรมาขึ้มามาันเป็นค่ามาเป็นค่าว่าเองเก่งแล้วก็เอาไปโฆษณาซับซ้อนเอาไปแข่งกันเอาไปอวดไปอ้างไปเชิดชูกันเองใหญ่เองเก่งเองอะไรต่ออะไรเนี่ยอาตมาว่าถ้าเขาทาอย่างนั้นเราก็มาทําของเราบ้าง มาทําเรามาแข่งแทนที่จะไปแข่งอย่างนั้นเราก็มาแข่งขัดบ้านขัดเรือนขัดห้องน้ํานี่ใครจะขัดฝีมือขัด ด, ดีสะอาดสะอ้านไม่ชํารุดสุดโทมไม่เปลืองวัสดุมีวิธีขัดยังไงนะขัดโอ้โหขัดได้อย่างละเอียดละอ้ออะไรงี้เป็นต้นจะก่อจะสร้างจะทําอะไรก็แล้วแต่มาเป็นการสร้างสรรค์ครีเอท สร้างสรรและก็มาทำมาดูอิ่งทำจริงๆครีเอทออกมาแล้วก็มามาดูอิ่งวางผังวางแผนขึ้นมาสร้างสภาพขึ้นมาแล้วก็มาดูอิ่งมาทำจริงๆมาลงมือปฏิบัติจริงๆจนกระทั่งมันเป็นสภาพที่จเจริญสภาพที่สำเร็จที่ดีงามเหมือนกันคุณจะมาแข่งกันอย่างนี้ มันก็มีผลพลอยได้ผลดีเกิดตามขึ้นมาด้วยซ้ำหัดสิลองลองดูและเราก็สร้างอย่างนี้ขึ้นมาให้แก่นักเรียนให้แก่เด็กรุ่นหลังในเขาเล่นพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็ชี้ชวนเขาเหมือนอย่างเหมือนอย่างพยายามเนี่ยให้เข้าใจเหมือนอย่างใจจุกกลูเนี่ยให้เขายินดีในชุดไทยของเขาอย่างเงี้ยเขบอกอู้ชุดมันสวยหรอกโลโลโลเขาบอกโลโลไม่งามโลโลหมองไม่ชอบ ยังงี้ดีกว่ายังงี้เป็นต้นยังงี้กว่าไม่เป็นไรให้ยึดถือสิ่งที่ดีกว่าค่อยๆยึดถือมาแล้วค่อยมาหัดวางอีกทีหนึ่งมันก็ต้องยึดก่อนแล้วก็วางยึดก่อนแล้วก็วางแต่ยึดสิ่งที่ดีกว่าเสมอเสมอพอดีกว่านี้แล้วเราวางดีกว่าไม่วางดีกว่าแล้วก็ค่อยมาวางไอ้สิ่งที่ดีกว่าก็ยึดต่อไปจนกระทั่งสุดท้ายก็ค่อยๆละเอียดละเอียดไปจนกระทั่งยึดความว่าง ยึดความว่าแล้วก็ไปวางความว่างอีกทีหนึ่งเนี่ยธรรมาสรุปจบยึดไปไอ้นี่อันนี้เราก็อาศัยได้ขนาดนั้นขนาดนี้แล้วเราจะมีบา ร, รมีมีบา ร, รมีเราจะมีสิ่งนี้มาอาศัยมาเป็นไปเองโดยที่ไม่ต้องไปข้นขวายไม่ต้องไปอยากได้อย่างอาตมาไม่ได้อยากได้เลยรถรถเบนเนี่ยจริงๆไม่ได้อยากได้เลยไม่เคยค้นขวายเลยนะ ไม่จริงๆไม่ได้อยากได้ไม่ได้เคยข้นขวายเลยแต่มันก็ต้องมาแล้วมาอย่างนี้ถ้าก็เป็นไปจริงๆนี่เป็นเรื่องของบารมีเป็นเรื่องของสิ่งที่ถึงวาราของมันจริ ง, รงๆไม่ใช่ว่าอาตจมากแกล้งพูดหรอกเป็นเรื่องจริงคุณศึกษาไปเถอะเพราะาเราไม่ต้องไปค้นคว้าว่าโอ้คนอย่างเราทําไมน่าไม่มีสิ่งที่ดีเอาเธอนาให้มันเป็นสิ่งที่น้อยๆลงไปก่อนทุกคนมันมากมันมากมากมาเก่าทั้งนั้น ให้มักมักน้อยหัดมักน้อยลงไปก่ได้เรื่อยก่อนเถอะค่อยๆลดลดน้อยมักน้อยลงไปแล้วเราก็จะค่อยๆพัฒนามุนเวียนขึ้นมาเพราะนั้นเรายิ่งมีมากเรายิ่งหวงแหนมากเรายิ่งต่ําเรายิ่งหัดลดน้อยลงลดน้อยลงเรายิ่งจะมีมากเรายิ่งจะได้มากยิ่งจะเป็นของเรามากโดยที่ไม่ได้มีที่เราไม่จําเป็นจะมีที่เราพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมา มีขุมทรัพย์สี่ทิศเกิดพร้อมภาษาโลกภาษาคนอย่างนี้คนก็เข้าใจไม่ได้ก็คือท่านเกิดมาพร้อมกับสมบัติของท่านมีมากทั้งสี่ทิศขุมทรัพย์เกิดทั้งสี่ทิศมีน้ำํำพุร้อนน้ำํำพุเย็นเกิดมาหมดทั้งสี่ทิศเท ว, วดารองรับภาษาธรรมะภาษาธรรมภาษาคนก็ฟังก็มึดถืออย่านั้น แต่ภาษาธรรมทุกอย่างมันพักพร้อมในตัวท่านมันจะมีความร้อนเย็นมันจะมีทรัพย์สริงคารมันจะมีอะไรแต่ไรที่จะมีเทวดารองรับไม่ให้ตกถึงพื้นอะไรก็แล้วแต่เป็นภาษาธรรมะท่านจะมีพักพร้อมหมดไม่มีอะไรเป็นเรื่องที่จะทำให้ทุกร้อนไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องไม่ทำให้เกิดความลบาบากเพราะท่านอุดมสมบูรณ์ด้วยกุศลกุศลธรรมกุ ศ, ล, ล, กศ ล, ลกรรม เป็นทรัพย์อย่างยิ่งเป็นทรัพย์ที่ท่านได้บําเพ็ญได้สะสมมาแล้วอาตมาก็มีพออาตมาแค่มา้ากลางตลาดแค่มา้ากลางตลาดที่จะต้องได้เพราะความขยันถ้าอาตมาไม่ขยันไม่ภาคเพียรทํางานมาขนาดนี้นี่นะอาตมาไม่ได้รถเบนโดยทําแบบนี้หรอกอาตมาต้องอีลากอีเรือไปหารถเบนขีเอง แต่ก็คงได้ชีวิตนี้นี่นะไปแบบโลกโลกีแล้วก็ไปทําทางโลกีเนี่ยอาตมาก็คงพอได้จะมีรถเบนส์ขี่ก็คงพอได้แต่ต้องเหน็ดหนาะเหน็ดเหนื่อยต้องไปทำํทำบาปทํากรรมต้องไปเอาเปรียบเอารับต้องไปอะไรอะไรอีกเหมือนพระพุทธเจ้าอ่ะถ้าพระพุทธเจ้าจะเป็นคนเป็นคารวาสท่านก็จะได้เป็นจอมจกักรพรรดิจอมจกักรพรรดิก็คือจะมีโอ้โหแว่นแควนจะมีอาณานิคม จะมีเป็นเจ้าท่านก็จะมีแต่ท่านก็จะต้องไปเทเดนโลกหรือว่าจะต้องไปทําอะไร อ, อะไรที่มันเป็นลีลาที่แบบโลกโลกเพิ่มเติมอยู่ซึ่งมันไม่ขอเวนจะเป็นเวนอีกมากยังเป็นภัยอีกมากกว่าแต่ถ้าถ้ามาเป็นทางนี้เป็นพุทธเจ้าท่านก็ไม่ต้องก่อภัยเพราะฉะนั้นอาตมาเคยเล่าให้ฟังว่า ถ้าจะมาเป็นพราหมณ์เป็นพราหมณ์ที่มามาทำนายพระพุทธเจ้านะนะมาทํานายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหเป็นองค์นี้นี่มีบุญบารมีถึงขนาดถ้าเป็นคารวะจะได้เป็นจอมจักระพัดถ้ามาบวชจะได้เป็นพระพระพุทธเจ้าอาตมาจะไม่ทํานายสองคติเลยอาตมาจะทํานายคติเดียวเหมือนกับ พราหมณกนัญญานั่นแหละธรรมมาคติเดียวเพราะอาตมารู้แล้วอาตมาเป็นโพธิสัตว์ใช่ไหมอาตมารู้แล้วให้อาตมาเลือกเป็นจอมจั ก, กรพรรดิเป็นพระพุทธเจ้าอาตมาไม่เอาหรอกจอมจั ก, กรพรรดไิไม่เอาอ่ไม่เอาเลือกให้อาตมาเป็นเศรษฐีใหญ่กำหนดให้อาตมามาเป็นพระที่คนเคารพ บ, บูชานับถือขนาดนี้ อตมาเลือกอามาเป็นพระดีกว่าไม่ไปเอาไปเสรษที่ใหญ่หรอกเหน่อยว่าพาระเยอะมีเรื่องยุ่งมากไม่เบ้าไม่ว่างใช่ไมมันรู้แล้วมัาถ้าอาตมาเป็นโกนธัญญะฟังเข้าใจนะอาตมาไม่ใช่โกนธัญญาเป็นพระเหมือนอื่นเหมือนกัน อาตมาทำนายอาตมาจะไม่ทํานายสองคติหรอกโอ้ยถ้าไปโลกโลกจะได้เป็นโน่นอาตมามาทางนี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าอาตมาจะไม่ทาทำนายสองคติทำนายจะทํานายคติเดียวต้องมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์นี้ยต้องมาเป็นพระพุทธเจ้าไม่ไปหรอกสกปรกนะไม่เอา <c oughs> เพราะฉะนั้นโกนทัญญะจึงเป็นพราหม์ที่เป็นมีบุญเพราะฉะนั้นจึงได้มาเป็นอรหันต์ไงถึงมีบุญพราหม์อีกห คนปกพรางนั้นยังไม่ค่อยรู้เรื่องเรายังเป็นโลกโลกอยู่ยังไม่เข้าใจรายละเอียดพวกนี้นสิ่งเหล่านี้เป็นภาวะลึกซึ้งเป็นภาวะซับซ้อนที่ละเอียดละออมากเลยเรียนเรียนรู้ไปแล้วจะเข้าใจนะแล้วมันเป็นเรื่องที่โอ้โหพูดกันยากยากไม่ใช่ง่ายๆอย่างคุณที่คุณเชื่อว่าอัตมาไม่ได้ติดรถเบน ไมไดยึดติดอะไรไม่ได้มีอะไรคุณเชื่อเพราะว่าคบหามาแล้วก็อะไรอะไรเข้าใจนะอาตมาจริงๆอาตมาไม่ได้ติดจริงๆไอ้แขรถเบนแขเนี้ยจริงๆถ้าไปทั้งโลกจริงๆอาตมามันพอซื้อรถเบนขี่ได้ไหมถ้าอาตมาความรู้ความสามารถอยาอ่างอาตมาไปหาเงินหาทองเนี่ยป่านนี้ก็เป็นเจ้ายุทธจับอยู่ในจอมยึดอยู่ในสังคมโลกขณะ น, นี้มันจะขนาดไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะในทางทางธุรกิจบันเทิงเนี่ยโตเร็วด้วยยุคนี้ ตอนนี้เนี่ยแกลมมี่เองก็กําลังจะพยายามเข้ามาหาอย่าว่าจะทํำรุ่นบันเทิงกําลังมาห า, า, หาทางการศึกษามาหาทางด้านอาไอ้ผลผลิตที่โลกอาศัยตอนนี้เขา ก, กาลังทําอะไรทําสิอิวหรือทําอะไรทําอะไรฮะแกลมา ม, ามี่เออบะหมีกําลังทำบะหมี่เนี่ยอย่างเงี้ยมันตน้นแกรมมี่เนี่ยออกมาทําบะามีอาศัยรารา เดี๋ดังเดีวรวยก็มันเอาดารามาโฆษณาใช่ไหมคนมันโลภมันหลงเนี่ยมันก็ไปจ้างดารามาสักไม่รู้กี่ล้านต่อกี่ล้านมาโฆษณาให้ไอนี่ดาราอยู่ในมือของมันเองโอ้ยมันเนี่ยอีกหน่อยได้เพิ่เนี่ยกัมีนี่ทํานี่อาศัยพวกนี้นะรวยรวยมาเลยถ้าเป็นอาตมาเป็นไภัยบูนเนี่ยอาตมาทํานานแล้วเพราะอาตมาเข้าใจเห็นทันทีรู้เนี่อาตมาเดินสายนี้แล้วก็อาศัยพวกนี้นะ CP ก็ซ p เถอะจริงๆซ p ก็ CP เถอปะป่านนี้ไปเรียบๆแล้วอาตมาก็เอาพวกนี้มาเป็นองค์ประกอบในการที่จะปรุงแต่งมอมเมาหลอกล่อให้คนซื้อหาหาเงินนี่มันเรื่องง่ายๆมันมันเรื่องที่เรารู้เลย ว, ว่าโลกมันต้องการยังไ ง, ไงกิเลสอะไรมันหยบลหลงไหลอะไรแล้วก็หยิบมันนั่นมาเป็นเครื่องปรุง มันเป็นเครื่องตกแตง่งมันเป็นเครื่องประกอบทำไปมันก็นไปกันใหญ่เลยมีอยู่ในมือด้วยเสร็จอย่างนี้โอ้โหไปใหญ่เลยเดินสายเนี้ยอาตมาไม่ออกมาในเดินสายนี้เหมือนกับที่บอกพระพุทธเจ้าพราหมณ์ทานายว่าจะไปสองคติอาตมาถ้าอยู่คติโนนไม่มาคตินี้มาคตินี้อาตมาเป็นผู้นำทางาศาสนางัน้นนะผู้นาทางาศาสนา ถ้าอาตมาไม่มาทางนี้อาตมาไปเป็นคารวะก็จะได้เป็นมหาเศธธนนเรษฐีใช่อาตมาเชื่อถ้าไปทถนนก็จะเป็นมหาเศรษฐีถ้ามาทางนี้จะได้เป็นผู้นำทางศาสนาเอาลราค่อยๆดูไปที่อาตมานำศาสนาอยู่นี่นะทำศาสนาแล้วก็นำเป็นผู้นำทางศาสนาอยู่เนี่ยไม่ใช่ผู้นำธรรมดาโพธิสัตว์ แต่คนก็ยังไม่รู้พวกคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อแค่ไหนก็นรู้แต่คุณจะเข้าใจเรื่องโพธิสัสตว์แค่ไหนก็นเรื่องของคุณในอนาคตต่อไปคุณจะรู้ว่าอาตมาเป็นผู้นำํำทางศาสนาขนาดไหนนะเออไ่เป็นจอดบุต ก, บกับ <c oughs> เ็นบินลาดินเท่อเทียบไหอ้ยซื้อแน่นอนอาตมาถ้าอยู่ทั้งโลกซื้อกำมินส่วนตัวแน่ป่านนี้ นขนาดามันเป็นทั้งนี้ยังจะไปซื้อเครงบินเลยไม่แต่แค่ซื้อรถเบนคิดดูสิถ้าอยู่ทั้งโลกมันจะเป็นเหลือเหรอถ้าอยู่ทั้งโลกมันจะเป็นพวกมันไปเองซึ่งมันเข้าใจไม่ได้ง่ายเดาไม่ได้ง่ายหรอกแต่ถ้าเข้าใจดีๆแล้วมันจะใช่อาตมาไม่ได้สงสัยตัวเองหรอกอาตมาเองอาตมาว่าโอ้ถ้าอาตมาอยู่ทั้งโลกอาตมาจะเป็นยังไงแค่ไห น, นอาตมาไม่สงสัยหรอไม่สงสัยหรอก เพราะเรารู้ความจริงของมนุษยชาติของโลกของจิตวิญญาณว่าจิตวิญญาณมันหลงอะไรมันติดอะไรมันยึดอะไรมันโง่อะไรเพราะคนฉลาดในอาศัยความโง่ของคนมาเอาเปรียบอาศัยความโง่ของคนนั่นแหละมาหากินคนฉลาดคนฉลาดโลกโลกอาศัยความโง่ของคนมาหากิน แต่คนที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยจะเห็นใจคนโง่ๆไปถูกคนฉลาดมันเอาเปรียบคนฉลาดมันทําร้ายคนฉลาดมันทรมานก็เห็นใจคนโง่ๆจริงๆลึกซึ้งขึ้นไปอีกก็เห็นใจคนฉลาดเหมือนกันว่ามันโง่นี่พูดอะไรกันนี่ เห็นใจจริงๆลึกซึ้งขึ้นไปก็เห็นใจคนฉลาดเหมือนกันว่าโอ้โหมันฉลาดแต่มันมันร้ายอ่ะมันเลวอ่ะคนฉลาดมันโง่มันทําให้ตัวเองตกต่ําทําให้ตัวเองได้วิบากที่ดีที่เลวได้วิบากที่ไม่ดีไม่งามให้แก่ตัวเองโธ่มันน่าสิทโตน่ะมันน่าสงสารฉลาดแต่มันก็ไม่เฉลียวฉลาดแต่มันไม่รู้จักสิ่งที่ควรไม่ควรมันไม่รู้ มันน่าเห็นใจนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในอย่างนั้นจริงๆแต่เราไปช่วยคนฉลาดไม่ค่อยได้คนฉลาดมันพยองมันถือดีถือตัวมันอวดเอง็งมันมันเก่งมันอะไรก็แล้วแต่สอนยากคนฉลาดนี่สอนยากสอนคนโง่สบายกว่า ที่มามานี่โง่ๆดัง น, นั้นเนี่ที่มานั่งอยู่นี่เนี่ยอัตมาสอนคนโง่นี่ดีกว่าอัตมาเคยพูดว่าแต่ก่อนนี่ถ้าจําได้เหมือนอัตมาตลบตลแรงพูดกลับไปกลับมาอัตมาเคยพูดว่าอัตมาเนี่ยสอนคนโง่ไม่ได้สอนได้แต่คนฉลาดแต่ก่อนนี่ใครจําได้บ้า ม, มาตอนนี้อัตมาบอกมาสอนแต่คนโง่ ไม่ได้สอนคนฉลาดสับสนไหมไม่สับสนนะนะคือเราพูดในแง่เชิงซับซ้อนเห็นไหมมันกลับไปกลับมาฉลาดอย่างโลกโลกโลกีลกกนะีนะ่ะมันไม่ได้เรื่องหรอกนะมันต้องมาฉลาดทางนี้หรือมันโง่าทางโล ก, กีนั่นแหละพวกคุณในโง่าทางโล ก, กีไปสู้เขาไม่ได้หรอกนยอย่าไปสู้เขาเลยยอมแพ้เขาเถอะทางโล ก, กีนะี่แต่มาฉลาดทางธรรม พวกทั้งโลกโลกนี่เขาฉลาดทั้งโลกโลกทั้งธรรมเขาโง่โง่ทังธรรมนีะเขาโง่เขาไม่ประสีระษาจริงๆเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่เอาเขาไม่เชื่อมาพูดเรามาพูดอย่างที่เราพูดนี่ไม่เชื่อพวกนี้มันโง่ไม่รู้เรื่องเขาแหะฉลาดแต่พวกเราก็บอกว่าเขาน่ะโง่ไปถูกหลอกอยู่ได้เป็นหลงขี่ม้าอะไรก็ไม่รู้อย่างๆจริงๆยึดยึดถือถือ เอาเป็นเอาตายสร้างบาปสร้างเวรอะไรกันอยู่ออ้ยมันน่าสงสารจริงๆริมนรู้จจะควอะไรพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไอ้โลกนี่ลาบยศสันเสริญโลกีสุขอะไรในโลกนี้มันเหมือนพยับแดดมันเหมือนฟองคลื่นมันเกิดมาแล้วมันเกิดเปลี่ยนไปมันไม่เทียงมันไม่อะไรหรอกไปคว้าอะไรเอาได้เหมือนพยับแดดแต่คนเราก็ไม่เชื่อฟังไม่ออกหรอกพราะคุณฟังไหวไหมเนี่ยลาบยศสันเสริญโลกีสุขโลกธรรมมันเหมือนพยับแดด ความันมางันน่ะนึกว่ามันจริงมันจังนึกว่ามันเป็นของด่าด้หนามีเหลือเกินมันฟองคลื่นมาเด็หายไปเปลี่ยนแปลงไว้แต่ก็จะเข้าใจได้ว่าโอ้จริงๆเนอมันก็เปลี่ยนแปลงไปมันไม่เร็วเท่าฟองคลื่นเราก็เลยรู้สึกว่าแหมมันอยู่เป็นของเรามันอะไรของเรามันทําให้เราสุขไปสันานอะไรอย่างนี้มันก็ติดไปงั้นหลงหลงไปงั้นจริงๆมันก็เหมือนอย่างนั้นเหมือนพยับแดดเหมือนฟองคลื่น เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรเลยแต่ก็ไปควา้าไปยึดไปหอ่อไปหามอ ย, อย่างน้น่ะลมๆแรงๆเมื่อถ้าเรามาเข้าใจแล้วว่าชีวิตเราไม่ต้องอไม่ต้องสะสมแต่เพียงอาศัยในสิ่งที่จําเป็นอย่างที่เรามาศึกษากันเนี่ยแล้วเราก็ขยันมันเพียงสร้างสรรค์ให้ตัวเราเองเป็นคนไม่ขาดทุนคนไม่ขาดทุนคืออย่างไร คนไม่ขาดทุนคือคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็สร้างสรรค์ออกแรงทำงานมีกรรมกิริยาทุกวันกรรมกิริยานี้เป็นการสร้างสรรค์แล้วก็สะสียสละเกื้อกูลให้คนอื่นให้คนอื่นได้ใช้ได้อาศัยสิ่งที่เราจากฝีมือแรงงานความสามารถของเรานี่แหละแล้วก็ทำออกมาแล้วเราก็อาศัยกินอาศัยใช้ในแรงงานของเรานี่แหละ แล้วก็กินไม่มากกินไม่เกินที่เรากินเราเกินไม่กินไม่เกินที่เราสร้างเราสัน่นเรากินเราใช้ไม่เกินที่เราสร้างเราสัน่นวันๆหนึ่งเราสร้างเราสั่นเกินมากมายแต่เราเอาศัยกินอาศัยใช้นิดนึงนอกนั่นก็นแจกจ่ายเชื้อจานเกลือกูนไปเรื่อยเรื่อยเร่อ ย, อ ย, อ ย, อยนี่แหละเรียกว่าคนคุ้มตัวคนไม่ได้ก่อบาปคนไม่ได้ก่อเวรคนมีกําไร คนมีกําไรมันวันวันหนึ่งก็ขยันหมั่นเพียรอะไรที่มันควรทําควรเป็นควรสร้างควรสัรงเราอาจจะไม่ชอบเราอาจจะไม่ถนัดอาจจะรังเกียดด้วยบางอย่างแต่อ้นี่มันมีความจําเป็นต้องทําตอนนี้ส่วมเต็มแล้วมันต้องช่วยกันตักออกนะรังเกียจเอออย่าเลยรังเกียจมันคนไม่ค่อยชอบนี่แหละยิ่งต้องทํา ตอนนี้มีความจําเป็นต้องช่วยกันหลายไม้หลายมือเนาะก็จะได้เบาแรงก็ช่วยกันไม่ชอบหรอกรังเกียดด้วยแต่มันจําเป็นแต่มันสมควรจะกระทำเราก็หัดวางใจพราหัดวางใจมันก็ความรังเกียจมันก็ลดลงได้เด็กๆเนี่ยเหมือนกันกนะเคยแต่ก่อนเนี่ย เ, เคยรู้วม่แม่ไม่เคยเราไม่ตั ก, ส, ตกส้วมตักส้วมมันเลอะเลอะเถอะพอมาเรียนรู้มาฝึกฝนเข้าก็เออ หนักเข้าก็ไม่มีปัญหาหรอกสวมเสริมก็สบายมันก็ไม่มีปัญหาอะไรจริงๆเรา ม, มีความรู้สึกในใจมันรังเกียจมันขยะขยะ ง, ง, งนี้ไปเฉ ย, ยๆพราะเขาจริงก็โถไม่เป็นไรนะรังเกียจขี้แต่ขี้ก็อยู่ในตัวเราไงอยู่ในทองเยอะแยะนะรังเกียจโอ้ยถ้าเอามางี้โอ้แต่อแต่เวลาเราล้างกน้นนะ ขี่ปล่าก็ไอ้เช็ดขี่ตัวเองอยู่างนี้เลยเฉยไม่เห็นจะเป็นสะดุ้งสะเทือนอะไรเพราะระวังใจตรงนั้นแต่มันก็ไอเหมือนกันนะมันก็ไอแตะขี่เหมือนกันนั่นแหละมาไปแตะขี่เออจะเป็นจะตายแต่เวลาล้างคนไม่เห็นมันเป็นอย่างงี้เลยใช่ไหมก็ขี่แท้ๆอย่นั้นนะนั่นแหละจะเห็นได้ว่าคนเราเนี่ยมันมันโง่ไม่เห็นจะมีท่าอะไรมันโง่ พอถ้าเราหัดเข้าใจวางใจแล้วมันก็โอ้เรื่องหัดดูจริงๆใจเราเนี่ยมันยืดมันติดจริงๆนะมันไม่หัดนะมันมาไม่ได้ลองดูไม่ตายหรอกหัดจับทัดถูกแตะต้องมันมั่งของสกปรกขี้เยี้ยวอะไรก็แล้วแต่อะไรพวกนี้ลองดูมั่งระวังแต่เชื้อโรคอะไรบ้างเท่านั้นตามความเข้าใจเราถ้ามันไม่ถึงขนาดมีเชื้อโรคเชื้อเรลืออะไรถึงไม่เงินเราก็ป้องกันเราก็รักษาอะไรดีแล้ว มันก็ไม่มีปัญหาอะไรความรู้สึกทางจิตใจก็อย่างหนึ่งอ่านจริงๆมันเราจะได้หัดวางใจหัดเข้าใจแล้วเราก็จะได้มีชีวิตอยู่อย่างไม่ติดไม่ยึดสร้างสรรมีกำไรเนี่ยตมาพาพวกเรามาสร้างกำไรบริษัทอตมานี่นะบริษัทอโศกนี่สร้างมา 20-30 ปีนี่ตนนี่วโหมีทรัพย์มหาศาลเลยเป็นนามธรรม เป็นนานมรทำซับมหาศาลเลยเนี่ยให้ไปในโลกเยอะเลยถ้ากอบกองเอาไว้มันก็จะมาตีราคามาแลกเปลี่ยนเป็นวัตถุมันก็จะมีเยอะแยะพวกเราเสียสละเนี่ยเอาแต่ความเสียสละเนี่ยราคาความเสียสละนี่แพงกว่าราคาความโลภเราไปโลภเอาไอ้นี่มาของอันนี้ราคาพันหนึ่ง เราไปโลภออกมาแล้วเราก็ได้โอ้โหแย่งชิงมาได้ของนี่มาราคาพันหนึ่งราคาพันหนึ่งนี่นะเอาสมมติราคาพันหนึ่งเป็นราคาปกติของอันนี้เป็นสิทธิของเราราคาพันเราไม่โลภหรอกเราเต็มใจเสียสละให้เขาไปนี่นะค่าของมันเนี่ยแพงกว่าราคาปกติพันหนึ่งนี่หลายเท่า ฟังตรงนี้เข้าใจไหมเพราะราคาของกิเลส ข, ของคนหวงแหนเป็นของตัวของตนเนี่ยโดยภาะวะสังคมมนุษย์เนี่ยคิดเป็นเศรษฐศาสตร์บุญนิยมเศรษฐศาสตร์ทางจิตวิญญาณเศรษฐศาสตร์ทางจิตวิญญาณความหวงแหนมีมากหรือความหวงแหนมีน้อยในสังคมความหวงแหนมีมาก เพราะฉั้นความหวงแห่นี่เฟอร์หรือขาดแคลนควรสร้างขึ้นไหมควรปล่อยออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราปล่อยความห่วงแหนออกนี่เป็นซัพพลายที่ถูกต้องเป็นอุปทานที่ถูกต้องราคาแพงของที่โลกต้องการเราต้องการความเสียสละมากความเสียสละนี่ราคาแพ ง, แพง ถ้าฟังตรงนี้เข้าใจก็จบแหละถ้าฟังตรงนี้เข้าใจเพราะความเสียสละนี่ราคาแพ Л งแพงตอนนี้มันเราได้เสียสละทุกคนเรสียสละคนละเล็กคนละ น, อ น, น้อยก็ตามแต่มันแพงค่ามันสูงนะค่ามันสูงในตลาดสังคมทุกวันนี้ความเสียสละจริงใจเสียสละไม่ใช่เสียรสละอย่างเล่เหลี่ยมนะทุกวันนี้มันเสียสละอย่างเล่เหลี่ยมกันในโลกอ่ะมันเสียสละอย่างซับซ้อนมันเสียสละไม่จริงหรอก เพราะความเสียสละที่ต้องการละกิเลสเสียสละอย่างบริสุทธิ์ใจจริงๆคุณขนาดที่คุณกําลังหัดเสียสละแต่ยังมีกิเลสอยู่แต่ว่าต้องการชําระกิเลสเนี่ยราคาความเสียสละอันนี้กับคนเสียสละอย่างสะอาดบริสุทธิ์ใจเลยรู้รู้เลยว่า น, นีเราเสียสละแล้วยังว่างๆไม่ต้องการอะไรตอบแทนราคาความเสียสละสองอันที่อาตมากล่าวนี้อันหนึ่งเสียสละกําลังฝึกตนเอง พยายามลดนะมันหงแหนกับอีกอันหนึ่งเนี่ยเสียสละอย่างสะอาดเสียสละอย่างจริงๆเข้าใจควรจะเสียสละเหมาะสมราคาความเสียสละอันไหนแพงกว่ากันอันหลังหรืออันแรกอันหลังคุณเข้าใจและราคาพวกพวกนี้นี่ไม่ใช่ราคาต่ําๆยิ่งจริงใจยิ่งสะอาดเท่าไรราคามันยิ่งแพงเพราะฉะนั้นค่าของนา ม, มารำค่าของที่เราพาทำเนี่ย ที่อาตมาพาทำในตลาดโลกฟังดีๆในที่อาตมาพูดนี่เศรษฐศาสตร์ทางจิตวิญญาณเศรษฐศาสตร์ทางธรรมเศรษฐศาสตร์ทางบุญนิยมมันซับซ้อนกว่ากัรเกษตรศาสตร์โลบโลกความต้องการอันนี้และความจริงที่ปรากฏอยู่จริงอันนี้เนี่ยอาตมาพาคุณมาเสียสละได้ขนาดนี้ท่ามกลางโลกมีแต่คนโลภโลภเอาเปรียบเอารัดกันทั้งนั้นเลยคนในโลกและอาตมาก็บอกแล้ว ค่าของความเสียสละมันจึงแพงอัตมาพาคุณมาเสียสละได้จริงขึ้นจริงขึ้นเสียสละอย่างสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นจริงๆขึ้นค่ามันยิ่งแพงขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ความแพงที่อัตมาได้พาคุณทําออกไปในสังคมเนี่ยความแพงของสิ่งที่เป็นนามารมที่อัตมาพาทำอยู่ในสังคมเนี่ยมันเท่าไหร่ตีราคาเท่าไหร่อัตมารวยเท่าไหร่คุณรู้ไหม ฟังตรงนี้ออกไหมกว่าจะพูดมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยโอ้โหไม่ใช่ง่ายๆฮ้กว่าจะพูดมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยไม่ไม่ง่ายเลยเยพยายามที่จะทําขั้นตอนให้มาให้คุณเข้าใจเห็นไหมพระาะธรรมา น, นี่โอ้โหอภิบรมมหาเศรษฐีนะตอนเนี้ยบิเกตก็สู้ไม่ได้ไม่ต้องไปพูดทักษิณไม่ต้องไปพูดคุณทนินเลยบิเกตก็สู้ไม่ได้ ถ้า พ, พูดถึงความรวยของอาตมาขนาดนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยพูดถึงความซับซ้อนของเศรษ ฐ, ฐกิจค่าทางเศรษ ฐ, ฐกิจนี่เอาแค่แต่แค่ดีม n d กับสัพพลามาคิดเท่านั้นเองใครเคยศึกษา ม, มาบ้างเอาแค่ของค่าราคา ม, มูลค่ากับคุณค่าเนี่ยอาเอาเถอะมาซื้อไม่ไปก็ดีแล้วล่ะอ่า เขาไม่ซื้อหราเขาเอาดอกไม้แดงมาล่อเท่านั้นวิ่งตามเขาเราระวังเธอเขาไม่ซื้อหราเขาแค่จะเอาดอกไม้แดงมาเราวิ่งตามเขาต่อยต่อยระวังฮะเป็นเงาะพอดีสิกลัวมันจะไม่เป็นเงาะเจนะระวัง ว่าเรื่องของธรรมะนี่มันเป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องซับซ้อนที่อาตมาทำอยู่นี่อาตมายิ่งเห็นยิ่งเป็นไปได้เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่เป็นเรื่องที่ดีที่สุดยิ่งดีที่สุดยิ่งดีมากเพราะสังคมทั้งโลกมันยิ่งเป็นอย่างนี้มันยิ่งเป็นโลกียะที่จัดจ้านเป็นโลกียะที่สร้างอํานาจที่ห่วงเห็นยึดติดทรัพย์สริงคารยิ่งโลภโมโทสันกันจัดจ้าน เป็นโลกีที่จัดจ้านมากเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นโลกียิ่จัดจ้านโลกุตระ ย, ยิ่งราคาแพงมากฟังเข้าใจนะเนี่ยโลกุตระ ย, ยิ่งราคาสูงค่าสูงมากอัตมาว่าได้เท่านี้นี่คนบอก็โอ้ยมันมาทำคนเท่า น, นี้มันจะไปทำเบ อ, อะไรไมันช่วยคนไม่ได้มากเหมือนเขาหรอกมันมันจะเป็นได้อะไรมันคนมาอย่างนี้มันมาน้อยถึงมาน้อยอัตมาก็จะทํา คนอย่างนี้เป็นคนที่มีคุณแก่โลกเป็นบุญแก่ตนเป็นคุณแก่โลกเป็นคุณแก่ตนโดยตรงเป็นคุณแก่โลกโดยรอกโดยโดยโดยโดยอ้อมก็ชั้นเป็นจริงๆเป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างนี้นตมาก็เต็มใจจะทำและก็ตั้งใจทำและก็ทำมาหลายชาติแล้วไม่ใช่เพิึงมาทำหรอกที่พูดในคุณฟังนิ่มหลายๆอย่างวันนี้เจาะลึก ความซับซ้อนละเอียดอออะไรสู่ฟังอาตอมาก็คิดว่าจะมีกำลังจะเทศในงานฉลองนามนี่ตาอาตอมานีุ่งสัยจะต้องไปตรวจออกมรนสานี่คงจะต้องไปตรวจ ด, ดูองมันมันไม่คดีมัวลงแล้วก็มีอะไรต อ, อะไรพอสมควรคงจะต้องไปดูแลมันอีกหน่อยนึงรักษามันหน่อยไว้ใช้ แต่มันก็เสื่อมเสื่อมก็อาร์ตมาก็ไม่เป็นปัญหาอะไรใช่มันจนกว่ามันจะไม่มีให้ใช้มันจะบอดเมื่อไหร่ก็บอดมันไม่บอดก็ใช้มันไปมันรู้ได้ขนาดไห น, นก็ใช้ขนาดนั้นคือจริงๆก็เราก็จะต้องนึกต้องดูเหมือนกันว่าเราเองเนี่ยเราติดยึดในสรีระร่างกายห่วงตาห่วงหูห่วงปากห่วงคอห่วงผิวพันธ์หวงเงินนั่นนี้อะไรหรือไม่ พวกนี้เราก็อ่านเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ทั้งนั้นแล้วว่าเราหวงอะไรเราหวงแหนอะไรแต่ก็ไม่ได้ทำร้ายก็รักษาอารักนารักษาสิ่งที่ควรรักษาให้พอเหมาะพอสมไว้เพื่ออาศัยให้เราอาศัยบ้างให้คนอื่นได้อาศัยบ้างถ้าตมาจะรักษาขันอาตมาให้ดีๆเนี่ยอาตมาก็อาศัยขันนี้ทางานแต่ไม่ได้ทางานไปเพื่อล่าลาบลายศล่ า, ลาสรเสริ หรือว่าไปทำงานเพื่อที่จะมาเสพสุขอะไรให้แก่ตัวเองทำงานเพื่อสร้างสารรค์ให้แกเป็นประโยชน์ผู้อื่นเพราะฉะนั้นอาตมาก็บอกว่าอาตมาจะรักษาชีวิตร่างกายนี้ไว้เพื่อพวกคุณใช่ไหมเออมันก็เป็นไปจริงเพราะคุณเข้าใจไม่ได้พูดโกเหมือ น, นอาตมาเคยพูดเคยตอบเคยเล่าแล้วนะที่อาตมาเทศอยู่ที่วัด มหาธาตุนะเทศเสร็จแล้วเ อ, เ, อเอนหนุ่มเข้ามาถามอาตม า, าถามอะไรอาตมากระจำสำนวนไม่ได้เท่าไหยแ ล, ล้วล่ะแต่อาตมาตอบไอนหนุ่มนั่นไปว่าอาตมามันกินอาหารเพื่อคุณเขาก็ว่าอาตมาว่าบ้ากินอาหารเพื่อคุณได้ไงแล้วลวงพี่ไม่อร่อยเลยเลอกินอาหารมไม่ได้อร่อย ไม่ได้อร่อยอะไรนี่ก็กินอาหารไปอย่างนั้นนหะเพราะเขบอกเขาไม่เชื่อก็น่าเห็นใจเขาจะไม่เชื่อเพราะความอร่อยมันยังหมดเป็นไม่ไม่เป็นมันยังหมดไม่ได้ใช่ไหมคนเราก็เหมือนกับพวกเราความอร่อยยังไม่หมดแต่อ่านนะว่าความอร่อยในสิ่งต่างๆเนี่ยอาหารก็ตามมันเอออันนี้มันตะก่อนที่ราโอ้โหติดมันมากรถมันอร่อยมันชัดชดมันจัดแต่เดี๋ยวนี้มันจางไปจางไป ลหลายอย่างมันจ า, างจนกระทั่งมันเฉยๆเอออย่างงี้ก็ได้ไม่อย่างงี้ก็ได้รถอย่างนี้ก็ได้ไม่รถอย่างนี้ก็ได้มันจะค่อยๆวางไปไปปฏิบัติ ด, ดูแล้วเราจะรู้อย่างนี้เป็นตน้นนะราะอัตมาเองยังชีวิตอยู่เนี่ยไม่เลยยังชีวิตอยู่ เ, เพื่อตอนเองจะต้องหาลาภหายศหาสรนเสริญหรือหาความสุขได้ทางกรรมหรือความสุขได้ทางสมใจ เรียกว่ากามมาสุขหรืออัตถทธัถสุขอัตถทธัถสุขสุขที่สมในอัตตาของเรายึดติดสุขในทางกรรมหรือใน อ, ตตอัตตาก็ไม่ได้คิดไปได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างไงสุขทางกามมันเป็นอย่างไงสุขทางอัตตามันเป็นอย่างไงสมในอัตตาเราที่ต้องการมาบ่มเรอเราเรียนแล้วก็ลดละไป มื่ชีวิตของคนเราเนี่ยมาเรียนรู้ธรรมะของพระจ้าแล้วถึงจะเป็นคนที่เบาว่างง่ายและมีสมรรถนะสร้างสรรค์เสียสละเกื้อกูลจึงเป็นคนที่มีประโยชน์ให้แก่โลกอยู่ในโลกาศาสนาพระเจ้าสร้างคนขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นคนที่เบาสบายง่ายไม่ทําร้ายใครแต่มีแต่สร้างสรรค์คุณค่าประโยชน์ให้แก่ชาวโลกให้แก่มนุษย์โลกไป เป็นคนไม่เป็นภัยแก่โลกเป็นคนที่มีคุณเป็นคนที่มีคุณแก่โลกเพราะถ้าสิ่งนี้เลยเป็นสิ่งที่ประเสริฐมหาวิทยาลัยที่สร้างคนอย่างนี้เป็นมหาวิทยาลัยอย่างไรคุณคิดดูส <c oughs> ิวางชีวิตมหาวิทยาลัยที่สร้างคนอย่างนี้ให้เป็นสมบัติแก่โลกสร้างคนสอนคนให้เป็นคนที่ มีความรู้ความสามารถแล้วก็สามารถที่จะสร้างสรรที่จะช่วยสไม่คิดแบบทุนนิยมคิดแบบบุญนิยมสร้างสรรและก็เสียสละให้แก่โลกไปจริงๆและมีปัญญาที่จะให้แก่โลกโด้วยไม่จะให้อย่างสุม่มสีุ่่มห้าให้อย่างโง่โงเมตตาไม่มีประมาณเมตตาไม่มีปัญญาเมตตาอะไรก็ไม่รู้จะให้จะช่วยเหลือจะเกื้อกูล จะเสียสละแบบเละเทะแบบทิ้งๆคว่างๆแบบไม่เป็นไม่เป็นสัมไม่ถูกสิ่งที่ควรสิ่งที่ไม่ควรนะสละหรือให้ก็ต้องให้อย่างที่ควรดีกว่านะสละให้อย่างนี้ควรอย่างนี้ไม่ควรสละหรอกสละให้คนนี้ไม่ควร สละให้เวลานี้ไม่ควรสละให้เวลานี้ควรสละให้แก่คนอย่างนี้สละให้แก่กลุ่มอย่างกลุ่มนี้อย่างนี้ควรอะไรเงี้เป็นต้นจะเป็นประโยชน์กว่าจะเป็นคุณค่าสูงกว่าอ่าก็สละก็ต้องมีปัญญาพระพุะทธเจ้าทุกบอกทำทานต้องมีปัญญาทำทานไม่มีปัญญาไม่คูดเกิดคุณค่าไม่เกิดประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นนะมันสิ่งที่เหล่านี้เราจะได้ศึกษาเราจะได้ฝึกฝน าอาตมายังมีเวลายังมีเรี่ยวแรงยังมีกำลังยังมีชีวิตอยู่จะได้สอนได้แนะนำก็จะได้พยายามพาพวกเราเนี่ยสร้างสร้างพวกเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยเป็น a อ a d คาเดมีเป็นสถาบัน Academy of learning and life A.L.L มหาลัยสมิคาลัยบางชีวิตเนี่ยเราใช้ ALL A.L.N.R. แปลว่า สัพพสิงสัพพะแต่ว่าทั้งหมดทุกอย่างแล้ all น all a l l academy of learning and life นะบางชีวิต <c oughs> <c oughs> เพราะงั้นที่อาตมาพาพวกเราเรียนอยู่เนี่ยเราเรียนจริงๆใช้ชีวิตเรียนศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยที่จะสร้าง ที่อาตมาจะพยายามสร้างให้พวกเราเป็นคนที่เป็นคนเจริญชนิดของพระพุทธเจ้ า, าพาเป็นาพามีในยุคนี้มันจะชัดยุคสมัยโบราณยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หรอกยุคสมัยโบราณยังไม่มีการศึกษาก็ยังไม่บื้อวายังไม่ลึกซึ้งอะไรยังไม่กว้างขวางยังไม่พิสดารเหมือนที่สุวรรนี้ทุกวันนี้การศึกษามันกวา้วางขวางพิสดารมันมีอะไรมากมายที่จะมาหยิบมาจับมาประกอบยืนยันได้ มีทั้งเทคโนโลยีมีทั้งเครื่องประกอบมีทั้งอุปกรณ์มีทั้งวัตถุปกรณ์มีทั้งลีลามีทั้งองค์โอ้เยอะแยะนี่เพราะฉะนั้นเมื่อหลายๆอย่างเอามาผส ม, ามาากันเข้าไปจะเป็นรูปเป็นร่างเป็นอะไรอไรทุกวันนี้อาตมายังบอกไม่ได้เลยพูดกับสังคมข้างนอกเขาเรว่าไอ้สมาสิกขาไหลเนี่ยมันเป็นอุดรศึกษาเนี่ยแล้วมันเรียนจะงยังไงแล้วมันเป็นยังไงมันได้อะไรไปยังไงเรียนไปเถอะ เนี่ยตมาภาคภาคเพียาภาธรรมจะไม่อยากได้แต่ใบประกาศใบปริญญาใบอะไรเฉยๆนะั่นเลยเรียนไหมเนี่ยอาตอมาว่าถ้าคนเข้าใจแล้วเนี่ยโอ้สมัครเรียนเป็นนักศึกษาเป็นนิสิตที่นี่เนี่ยโอ้หปีมันน้อยไปวะ่ะ12ปีก็ยังน้อยนะมันควรจะสัก24่สิบ่ปียังน้อย อ, อ้าวจะเป็นอะไรไปแล้วก็เถาก็เป็นอะไรไปแล้ว ก็ไม่ได้กำหนดอยู่แล้วว่าคนแก่คนเฒ่าอะไรเป็นนิสิตไม่ไดจจจออ้จบเป็นจบเป็นคนจบน่ะคืออรหันต์จบเป็นคนจบคืออรหรันต์เออเพราะงั้นยังไม่ถึงอรหรนันต์นี่เรียนไปเถอะเรียนไปแล้วเราก็จะได้ความรู้ความสามารถเราจะได้สร้างบุญสร้างกุศลเราจะได้ทำอะไรต่อะไรไปเรื่อยๆ หัดแล้วเราจะมีความชํานาญจะมีสมรรถนะมีทักษะมีสมรรถนะมีทักษะไปจริงๆแล้วเราก็จะได้กรอบกอบุญก่อกุศลสร้างสรรค์แล้วก็ได้อัตมาพาสร้างสรรค์และพาสร้างทรัพย์ด้วยนะอัตมาพาพระคุณสร้างสรรค์และพาสร้างทรัพยบเลยนะซั์นี่เป็นทรัพย์อาริย์ซับนะไม่ใช่รัพย์ธรรมดาพาสร้างสรรค์และพาสร้างทรัพย์ด้วย เพราะจะอยู่ไปศึกษาไปแม้เป็นนิสิตเนี่ยพวกคุณแทนที่จะเสียค่าหน่วยกิจคุณกลับได้ทรัพย์ด้วยนะคุณศึกษาเป็นนิสิตที่นี่เนี่ยแทนที่จะเสียค่าหน่วยกิจเปล่าคุณไ ด, ได้ได้อริยซัพย์ด้วยอาตมาพาทำพาศึกษาเนี่ยกินฟรีอยู่ฟรีแล้วยังแถมได้อริยซัพย์อีกตัางหากเหรอไหมไม่เสียค่าหน่วยกิจเนี่ยมหาวิทยาลัยที่นี่มันยอดเยี่ยมขนาดไหน เาจมาพูดพูดจริงก็เปล่าเนี่ยฮะจริงหรือหลอกใช่ไหมนะถ้าเราเข้าใจเราจะเห็นได้วันนี้เออนี่มันชัดเจนอย่างเงี้ยมันจริงอย่างเงี้ยนะฮะหลอกให้เป็นของจริงเฮ้ยพูดยังไงหลอกไม่ได้หลอกนะเนี่ยมันเรื่องจริงนะไม่เชื่อหลอกยังไงเฮ้ยเหมือนหลอกยังไงเราพูดจริงจไม่ได้หลอก ไม่ได้ล้อเรื่องจริงๆนะพวกเราเนี่ยมันยังมีสภาพที่เรายังหลงวัตถุเรื่องหลงเงินหลงทองระวังอย่าก่อกรรมอย่าทําบาปเรื่องเงินเรื่องทองพวกเรายังเกี่ยวข้องเรื่องเงินเรื่องทองเพราะฉะนั้นคนไหนที่ทํางานเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเกี่ยวกับเงินกิดทอ ง, องอแล้วก็มีแลมันมีง่ายๆมันเดี๋ยวเราก็มุบมิบมุบมิบอย่าทำเลยบาปเล็กบาปน้อยอย่าทำดีกว่า ใครที่ไม่เกี่ยวกับเงินกระทองก็ดีมันก็ไม่มีโอกาสแต่คนที่ยังเกี่ยวเงินเกี่ยวกับเงินกระทองนี่โอกาสมันมีเงินผ่านเราจะต้องดูแลเงินทองอะไรนัอย่าไปทำบาปเลยมันไม่มีมันไม่มีคุณค่าคุณเข้าใจสัจจะจริงๆแล้วโลกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่เรื่องมันเป็นอุปกรณ์ที่ล่อแหลมมันพระพุทธเจ้าทั้งตรายว่ามันเป็นอสสรพิษ มันไม่ไดสรพิษจริงๆเลยเงินทองในยุคของพระเจ้ายังไม่สำคัญเท่ายุคนี้ยุคนี้มันลงเงินลงทองกันมากมายยิ่งกว่ายุคพุระเจ้าใช่ไหมมันยิ่งกว่าแก้วสารพัดนึงเลยยุคนี้อ่ะยุคสมัยพระเจ้ายังไม่เท่าไหร่พระเจ้ายังตั้งยังบอกแล้วมันเป็นอสรพิษมาตั้งแต่สองพันห้ากว่าปีแล้วขณะมันยังไม่มีค่าเท่าเดี๋ยวนี้นะแต่ก่อนนี้คนไม่มีเงินไม่มีทองเขาไม่เดือดร้อนเท่าเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้คนไม่มีเงินไม่มีทองมันเดือดร้อนมากมายแล้วมันแย่งชิงกันมันเอาชีวิตเขาแลกกันยิ่งกว่าสมัยก่อนมันล สมัยก่อนนะมันไม่บ้าบ้าบาบอบขนาดนี้หรอกเดี๋ยวนี้มันหามขนาดเลยเงินทองมันแย่งจริงมันเห็นมันของมีค่ามันหลงไหลกันขนาดหนักเพราะเราจะไปพลอยไปโง่เหมือนอย่างเขาไปหลงไหลเหมือนอย่างเขาไม่ถูกต้องนะอย่าไปเห็นพวกนี้เป็นสิ่งที่เป็นค่าเป็นราคาเป็นของที่น่าดายน่ามีอะไรมากมายนักมันจะยั่วมันถูกหลอกมาเป็นอุปทานในใจมาก เพราะฉะนั้นทําให้เราอดไม่ได้แต่จะต้องไปเทิทุจริตกรรมทําอกุศลอะไรแต่ไรกับสิ่งเหล่านี้อย่าเสี่ยงเลยอย่าไปแลกเลยแต่คุณค่าของสัจจะคุณค่าของสัจจะนะ่ะสำคัญกว่านะอย่าไปใจอ่อนอย่าไปเผลอไผลอย่าไปอะไรกับมันเลยแต่โลกทุกวันนี้เนี่ย เรามันไม่ใช้มันไม่ได้มันไม่อศัยมันไม่ได้มันยิ่งเป็นสังคมกลุ่มใหญ่อย่างพวกเราเนี่ยมันต้องอาศัยอาศัยเสียงเหล่านี้โดยเฉพาะยิ่งอยู่ในหลักของบุญนิยมบุญนิยมคือไม่สะสมไม่เอาเปรียบไม่กอบโกย เพราะฉะนั้นเมื่อไม่กอบโกยไม่เอาเปรียบเราก็ยิ่งได้น้อย bathroom. มันก็ยิ่งมีน้อยคงคลังก็ยิ่งน้อยทุนต้นทุนในตัวเรามีก็ยิ่งน้อยมันก็เหลือน้อยน้อยน้อยๆแต่เราจะขยายงานขยายผลกิจการโน่นนี่นีมันก็ต้องลงทุนมากต้องใจจ่ายมาต้องซื้อแผนซื้อเขาก็ต้องขายในราคาทุนนิยมเราซื้อเขาเขาขายให้เราเขาขายในราคาทุนนิยมแต่เราเราพยายามเสียสละ ทำออกไปในระบบบุญนิยมมันก็เลยย้อนแยงกันอยู่เพราะงั้นเราจะน้อยน้อยไอ้ธุรมิจยิ่งมามากไม่ดีก็แพงแพงแพงแพงเราก็จะต้องเลยจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งนี้บ้างแล้วก็เมื่อจะไปแลกเปลี่ยนเอาสิ่งที่ทั้งโลกเข้ามาอาศัยใชย้สอยที่จะต้องสร้างสันขยายผลขยายงานอะไรก็แล้วแต่มันก็จะต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นสภาพธรรมมันทดลองใจเรา ที่ดินก็จะแพงอยู่ที่ไหนอโศกไปอยู่ที่ไหนที่ดินที่นั่นแพงขึ้นของอะไรอโศกจะต้องไปเอาจำเป็นจะรงมาใช้มันหลักแพงขึ้นลวไอ้โลกมันแพงแต่ของเราเนี่เอาไปให้เขาถูกต้องถูกลงมันก็ถูกต้องแล้วละ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะในคนเนี่ยในพวกเราเนี่ขอให้พยายามศึกษาสัจ ธ, ธรรมเถอะศีลธรรมสัจธรรมเนี่ยเป็นเอกเป็นใหญ่ อย่าไปหาเรื่องอย่าไปเอาทุจริตกรรมอย่าไปเอาอากุศลอะไรมาใส่ตัวเองมันมีข้อยว่วโยนมันมีเรื่องโยนมันมีสิ่งที่ย่โยนมันมีอะไรที่จะเป็นบทบาทลีลาแก่เราเสมอแหละนั่นแหละคือโจทย์โจทย์ที่เราจะต้องปฏิบัติจะต้องประพฤติจะต้องเรียนรู้ให้จริงที่ไหนก็แล้วแต่มันสังคเมเออย่างงี้แหละคล้ายกัน จะอยู่สันติอโศกจะอยู่ราชธานีอโศกอยู่ศรีษาอโศกอยู่ไหนๆก็แล้วแต่มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละวันนั้นเราพยายามพิสูจน์เรียนรู้แล้วก็ใช้เหตุปัจจัยเหล่านี้เป็นเครื่องประกอบในการเรียนรู้ฝึกฝนขัดเกลอกิเลสตนะอุปทานของเราเองให้ได้เราขี้เกียจเราก็ขยันขึ้นเราไม่ประณีตประหยัดเราก็หัดประณีตหัดประหยัดเราไม่อุตสาหะ ไม่อดทนไม่แข็งขันเราก็แข็งขันขึ้นอดทนขึ้นอุตสาหะขึ้นภาคเพียนขึ้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเรื่องเลวร้ายเป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกฝนมันถึงจะได้ถึงจะเป็นฝึกฝนแล้วเราเกิดพอเกิดแล้วเราก็ได้อาศัยได้อาศัยแล้วมันก็สบายอะไรที่คนที่ข ย, ยันเป็นอัตโนมัติแล้วนี่นะมันไม่เมื่อยง่าย มันไม่เบื่อมันไม่ชังมันไม่ทุกข์ขยันก็ไม่ทุกข์แต่คนขี้เกียจเนี่ยให้ขยันเนี่ยโอ้โหมันทุกข์ขนาดเลยนะคนขี้เกียจเนี่ยให้ขยันเนี่ยโอ้โหมันทุกข์ขนาดเลยฟังเข้าใจนะแต่ละคนไปอ่านใจตัวเองออกจะรู้ตอนนี้มันอารมณ์ขี้เกียจเข้ามาเนี่ยโอ้ยมันทุกข์จะให้ขยันนี่มันทุกข์จริงๆใช่ไหเอ่นั่นอ่ะ พงังกคนไหนที่ขยันจนเป็นอัตโนมัติจนชินแล้วมันขี้เกียจไม่เป็นเนี่ยมันไม่ทุกข์หรอกมันง่ายๆมันคล่องคล่องมันไม่ฟืดมันจะเป็นฉันทะด้วยจะยินดีเลยโอ้ได้ขยันได้ทาได้นนทนได้นีเพราะสิ่งที่รังเกียจกับขี้เกียจเนี่ยโฮ อ, อตมาเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่รังเกียจกับขี้เกียจเนี่ยใหญ่จริงเลยเรียนรู้ยดี ไอรังเกียดอย่างเนี่ยโอ้โหไม่อยากแตะอยางต้องไม่อยากใกล้ามาอยากเข้าไปชิดไปนั่นเลยรังเกียดเนี่ยมันอะไรกันนักกันหนาะไปรังเกียดอะไรกันกหัดฝึกโดยเฉพาะคนด้วยกันรังเกียดคนรังเกียดปิงอะไรก็แล้วแต่แต่รังเกียดมันนั่นแหละมันก็หัดฝึกทั้งนั้นแหละหัดปล่อยวางไม่ต้องไปรังเกียดอะไรไ ม, มหั ด, ดังนั้นอย่างนี้มันโอ้โหมันละเอียดละอ รังเกียจปริงรังเกียจขี้รังเกตส่งสกปรกรังเกียจสิ่งที่ลําบากรังเกียจแดดรังเกียจลมรังเกียจในนนท์ในนีก็อะไรก็ตามไม่น่ารังเกียจอะไรมันสัตว์โลกธรรมดาเออเราก็นั่นแหละใจมันมีอาการนังกิเลสหัดวางใจดูนะเมืนกับเขัดคนไม่รังเกียจหมา โอ้โยกรอกกนัวเนี่ยดมปากดมคอกันเฉ ย, ยงนี้เป็นต้นไอ้คนตั้งเจ็บใช่ไหมเหมือนกันนะ่ะหมาก็ตามปริงก็ตามมูก็ตามอะไรก็ตามถ้าจะว่าแล้วมันก็เหมือนกันแต่เราชีช้จิตใจเราต้องหัดวางใจไว้เรื่อย ๆ, ๆฝึกถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่แต่เราต้องรู้ว่าอะไรเป็นพิษเป็นภัยยังไงสัตว์ได้ชาร์ดบางชนิดมันมีเชื้อโรคบัตเบร์ชาร์ดบางชนิดมันมีภัย มันเป็นพิษตรงนั้นมันเป็นพิษตรงนี้สัตว์บางชนิดมันไม่รู้หรอกเราไปแตะมันมันมีพิษละพอแตะมันก็เป็นพิษในตัวก็มีได้บางอย่างมันก็กัดบางก็เจ็บมันก็ออกอย่างนั้นอย่างนี้ตามสัญชาตญาณของมันเราก็ระมัระวังเราก็อย่างโง่จะไปหามเท่านั้นเองมันก็ไม่สมควรจะต้องไปอะไรก็ระวังไว้ถ้าเราได้หัดได้ฝึกทุกเหลี่ยมทุกมุมอย่างนี้นะเราก็จะได้วางใจเราก็จะได้หัด ปล่อยหัดปลดหัดปรงเพราะฉะนั้นความลึกซึ้งของสิ่งที่จะปลดปล่อยสูงสุดนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่เรื่องใหญ่ๆ ใ, ในลาบยศสรนเสริญโลกียสุขเนี่ยสิ่งนี้แหละเป็นโลกกระทำที่เราหัดวางหัดปล่อยจนกระทั่งว่าเออลาบแล้วก็ ก, กลางๆเฉยๆอุเบกขาอุทุขมสุขหรือว่าอาการสาว่างลาบโดยทมก็ชังเถอะเราก็ไม่ดูดไม่พลัก ไม่ติดไม่ยึดยศเราก็มีตำแหน่งฐานะเขาต้องตั้งแต่งตั้งให้เราทำงานระดับนั้นระดับนี้อย่างนั้นอย่างนี้โดยทำแต่งตั้งบางไม่แต่งตั้งบางอย่างอาตมานี่ไม่ไ ม, ไมีใครแต่งตั้งอาตมาหรอแต่อาตมาว่าคุณให้เองให้ตามนั้นแหละใครจะให้แค่ไหนก็ไม่เท่ากันบางคนให้อาตมาสูงนะบางคนให้อาตมาแค่เนี้บางคน มันกคนเหมือนกันกับเรานาะว่าพอทันกับพอทันเถอบางคนอะไรก็แล้วแต่ เ, เราเหนือก็พอทันด้วยบางคนก็อาจจะอย่งงางนั้นก็ได้ก็แล้วแต่ใครจะให้มันเป็นสัจจะของคนจะให้ยศให้ฐานะแกเราใครเขาจะให้เราสูงให้เราตำ่ำมันเรื่องของเขาเไม่ให้ก็ไม่ว่าให้แล้วมันสมไหม เขาให้เราให้เราสูงขนาดนี้แต่เราไม่ได้สูงขนาดนี้จริงหรอกเราก็บากเขาให้เราแ ง, ง, เาางา่เราก็เอาเลยทั้งๆที่เราไม่สมควรจะได้ขนาดนี้หรอกเอ้าอุ้ยสูงเราก็บาเพอเราก็ดูความจริงตามความเป็นจริงว่าเราเออขนาดนี้พอเหมาะพอดีนี่มันมากไปเรา่าปไปนี่มันน้อยไปแต่มันเป็นไรน้อยไปก็เขาเองเขาให้เท่านี้ มาเป็นไรสันเสริญก็เหมือนกันเขายกยอปอปัน้นยกย่องเชิดชูเถิทดทูนมากไปหรือเปล่าเขาจะเถิดทูลหรือไปเถิทดทูนเรามันน้อยไปเออไม่เป็นไรหรอกน้อยไปไม่เป็นไรอย่าไปเสียใจเลยเขาเถิดทูนเราน้อยเขายกย่องเราน้อยก็สันเสริญเราน้อยก็ไม่เป็นไรเพราะเขาไม่เข้าใจ อ, อัตมาว่าคนสันเสริญ น, น้อยยกย่องน้อยเนี่ยไม่พลาดทางไง แต่ไอคนสรรเสริญมากยกย่องเกินจริงเนี่ยพลาดง่ายพลาดยังไงเขาสมมติว่าเราทําได้แค่นี้ไม่ใช่เขาเขานึกว่าเราทําได้แค่นี้เราสูงก็ให้เกียรติเราแค่นี้แต่เราทําได้แค่นี้พลาดไหมเห็นไ้มพลาดหมมันพลาดง่ายๆเลยแต่เราทําได้แค่นี้แต่เขาว่าเราทาได้แค่นี้โอสบายมาก เขาเห็นเราทำได้แค่นี้แต่จริงๆเราทำได้ขนาดนี้เขาไม่ย่องย่องเราเขาไม่ให้เราขนาดเขาไม่ให้ค่าเราเท่านี้ข้อให้ค่าเราเท่านี้เราสบายแล้วใช่ไหมสบายแล้วสบอมอเพราะการเป็นหลงคาสรรเสริญยกย่องเชิดชูเกินตัวเนี่ยสวยๆพลาดง่ายหน้าแตกง่ายลุบ ป, ปานพระ สือวีรู้จักไม่ลุ้ปัญพระสือวีรู้ไหมนั่งงงเลยเนี่ยขาดทุนยิ่งกว่าพระสือวีไปซื้อมาทําอะไรพระสือวีมาทําอะไรขาดทุนยิ่งกว่าพระสือวีลุกยิ่งกว่าตาบอดได้แว่น ลุก ป, ปานมือด้วนได้แหวนขาดทุนยิ่งกว่านั้นเพราะนั้นเราหัดตระมัดระวังสํารวจตรวจสอบไปดีๆพวกเราที่ศึกษาพวกเราได้ไดฝึกฝนมาถึงขนาดนี้ก็ดีกันพอสมควรแล้วแต่ดีกว่านี้ยังมีอีกไหมมีอีกนะเพราะนั้นสิ่งที่มีอีกดีกว่านี้อีกเราไม่สันโดษในกุศล พระพุทธเจ้าเองแต่แท้ท่านยังไม่สันโดษในกุศลท่านยังไม่พอกุศลเท่าไหร่ก็มีไปเถอะแต่ในกุศลนั้นความซับซ้อนของพระพุทธเจ้าเรามีกุศลนั้นเรามีความดีนั้นอย่าหลงดีอย่าติดดีอย่าเอาดีไปทําร้ายทําร้ายใครอย่าเอาดีนั้นไปอวดไปอ้างเอาดีนั้นไปแบ่งไปข่มมีก็มีไปเถอะ ไม่มีปัญหาจะมีดีไม่มีปัญหามีให้แข็งแรงมีให้คงทนนะไม่มีปัญหาแต่เรามาเรียนรู้ว่าเราอย่าไปหลงไหลอย่าไปติดยึดจะไปเอาดีนี่ไปทำร้ายใครๆเอาดีไปทำร้ายใครๆได้ด้วยเพราะฉะนั้นอยเอาดีไปทำร้ายใครๆนะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องลึกซึ้งของมนุษยนะ์พอเราจะได้ศึกษาถ้าอยู่กันไป อตาตมาก็สร้างวังสร้างเวียงเวียงอย่างเราวังอย่างเราปั้นดานี่ก็เป็นวังอย่างเรานะเราก็จะต้องเนี่ยน้ำท่วมท่วมมากปีนี้สามปีซ้อนจนกระทั่งอาตมาภูมิใจนะว่าพวกเรานี่ไม่ได้รังเกียจน้ำแล้วไม่กลัวน้ำแล้วแล้วก็ใช้น้ำให้เป็นประโยชน์เท่าที่เป็นไปเราก็จะอยู่กับมัน ที่ตรงนี้คนข้างนอกคนข้างบกนี่ชาวบ้านเขายังบอกว่าไอ้พวกนี้มันโง่ตายมันมาซื้อที่น้ําท่วมแล้วมันจะอยู่ยังไงเออตอนนี้เขาก็คงรู้แล้วว่าไอ้พวกนี้มันพอไปได้เว้ยน้าท่วมมันก็อยู่ของมันสบายๆน้ําท่วมก็มันก็ไม่เถือนดร้อนน้ําท่วมมันก็มันก็อยู่ของมันอย่างมันนะก็เราเป็นคนน่ะน้ําท่วมเราก็อยู่กับน้ํา แล้วเราหมดไปจริงๆ ป, ปีปีหนึ่งน้ําท่วมนี่หมดไปเป็นล้านหลายล้านนะรวมแล้วหลายตังค์สูญเสียไปกับน้ําพัดน้ําไหลสูญเสียพรน้ํามันท่วมแล้วมันก็เปื่อยก็เน่าก็เสียก็อะไรต้องไปซ่อมไปแซมต้องไปอะไรอะไรที่อยู่อัตมาที่พักไม้กระดานโกงงอผิดเสียไปเยอะต้องไปปรับปรุงตกแต่งใหม่เปลืองเข้าเปลืองของไปซ่อมไปแซมเสียแรงงานแต่ก็ไม่เป็นไรที่คิดว่าเราไม่สินไรไม่ต่อหรอก เราเอาแน่บ้านราดนี่อาตมาไม่ถอดไม่ถอยไปไหนหรอกจะปลูกฝังสร้างบ้านราดเนี่ไปจนกวา่าอาตมาจะตายก็จะไปด้วยนี่แหละบ้านราดที่อื่นก็สร้างไม่ใช่สร้างแต่ที่นี่ทีเดียวแต่ว่าที่นี่ไม่ได้ลงหลักปักแหลง่งเป็นที่ที่มันมันมีองค์ประกอบที่อาตมาว่าดีอยู่อย่างหนึ่งคือสะอาดสะอาดบ้านราดเนี่ยสะอาดนะสะอาดสะอานโอโหเกลี้ยงสดบริสุทธิ์ นะนะอ่ ะ, อ ะ, อะตอนนี้น้ําท่วงจะเกิดขยะขึ้นมานี่เราก็ต้องทําความสะอาดทําความสะอาดแล้วนี่พอน้ําลงแล้วนี่ช่วยกันนะหาเมล็ดเมล็ดพืชเมล็ดผักพอน้ําลงภาพพอสมควรแล้วหมาดหมาพอสมควรหวานเลยหวานเมล็ดให้ทั่วทุกแหล่งเลยทุกมุมทุกแข่งเลยให้เจ้า เมื่อหญ้ า, าขึ้นไม่ทันฟังให้ดีนะตรงนี้เราจะต้องทันมันนะอย่างโง่นะชาวบันราศทุกซอกทุกมุ ม, มเมล็ดพืชเมล็ดพันธุ์นี่พันธุ์ที่บำรุงดินนี่นะที่มันจะขึ้นมาคลุมดินก่อนอื่นไม่ให้มันเป็นพืชที่จะขึ้นไวขึ้นมาคลุมก่อนหญ้าแล้วมันก็จะให้หญ้าขึ้นไม่ได้ให้วัดเพะพืชที่ไม่ต้องการเนี่ยที่เจไม่ต้องการขึ้นไม่ได้ แม้มันจะมีอายุเดือนหนึ่งสองเดือนสมเดือนเราต้องช่วยดิบดูถ้าอีกเดือนหนึ่งมันโสมล้พืชโพนันโสมแล้วเอาเมล็ดอื่นต่อหรือเอาพืชอื่นที่จะขึ้นขึ้นแซมปลูกแซมแทนเพราะว่าน้ําลงแล้วปลูกได้มีเวลา9เดือนเนี่ยเราปลูกไม้ลมลุกลืดทําไม้ลมลุกเนี่ยเราจะต้องมีความชํานาญอันนี้เพราะเราเป็นแหล่งมีความหมุนเวียน 9เดือนสามเดือนสเดือน8เดือน4เดือนหมุนเวียนอยู่เนี่ยที่เราจะต้องสร้างสันนันนี้แล้วเราก็จะมีวัฒนธรรมมันนี้เราจะความเคยนี้เด็กๆเกิดมาโตมาเนี่ย ในมะขามในใ ย, ยจุกครูในกระทงอะไรเขาก็จะรับรู้เขาจะเรียนรู้วัฒนธรรมอันนี้เป็นอัตโนมัติไปเขาก็จะรู้เออฤดูนี้มันจะต้องทำอย่างนี้แล้วนี่ฝนมาอย่งนี้จะต้องแดดมาอย่างนี้น้ําขึ้นมาย่างนี้น้ําลงจะต้องทำอย่างนี้งี้อยมันจะเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องคิดนี่มันจะเป็นระบบจารีตประเพณีวัฒนธรรมติดไปเลยเพราะเราอยู่แหล่งนี้ภูมิทัศน์ภูมิประเทศอย่างนี้ เราจะต้องมีอย่างนี้เราจะต้องทำอย่างนี้เราจะต้องเข้าใจและก็จะต้องพยายามปลูกฝังสร้างสรรพืชคลุมดินแล้วเราจะลงพืชอะไรอีกก็คิดต่อนี่เราก็จะเกิดปัญญาเกิดความรู้เออตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้ทาอันนี้ได้ตรงนี้อย่าไปทำมันตรงนี้เห็ดออกให้ไว้มันเห็ดออกตรงนี้มันเห็ดออกทุกปีน้ำท่วมมากกระช่ามันก็เห็ดมันออกสปอร์มันอยู่ในดิน ตรงนี้มันไม่ต้องไปทําตรงนี้ทําตรงนี้ตรงนี้อะไรพวกนี้เป็นต้นก็อาณาบริเวณนี้เราจะหลับตารู้เลยโอ้ตรงนี้นี่เท่านี้เซนตรงนี้กิ๊เท่านี้นิ้วเท่านี้เม็ดตรงนี้แวดบ่งตรงนี้ตรงนี้เราจะเข้าใจแล้วเราก็บอกเด็กๆไว้เด็กๆมันก็จะรู้ตามมันก็จะรักษาดูแลทําอะไรอะไไปนี่สิ่งเหล่านี้ละเอียดละอ่แล้วเราก็จะเข้าใจเราจะอยู่มีชีวิตอยู่ที่จะเป็นไปได้อย่างดีเนี่ยเราทํางนี้ขนาดนี้เนี่ย อาคารนี่เนี่ยไม่ใช่อาคารเล็กๆนะอาคารโตบาสมควรแล้วก็เป็นอาคารในนูที่ทำไปแล้วน้ำถ่ามันท่วมมันก็อยู่ข้างมันไปนี่มีรอยน้ำเป็นเครื่องเตือนเป็นเครื่องบอกปีหน้าเนี่ยจะท่วมถึงพระไม่รู้ปีนี้ยังอีกฟุตห น, นึ่งนะอีกฟุตหนึ่งถึงพระถ้าอีกสองฟุตก็ท่วมองค์พระด้วยเนี่ยดูสิองค์พระเนี่ยจะต้อง ลอยน้ำไหมถ้าปี9ออสปี46นี่นะน้ำท่วมมากเท่าปีนี้หรือมากเท่าปีกลายนี้หรือมากกว่าปีนี้ด้วยอีกนี่นะเตรียมตัวเลยบัณฑ า, ร, ารุ่งแน่เพราะอะไรเพราะว่าธรรมชาติของโลกวิปริตแล้วน้ําท่วมแล้ว เพราะงั้นโรคน้ําท่วมเนี่ยโรคนะโรคน้ําท่วมหรือว่าไอ้ภัยน้ําท่วมเนี่ยมันจะมีทั่วทุกระแหงปีนี้คิดดูสิพอน้ําท่วมมันเดือดร้อนกันทั่วประเทศเลยปีนี้น้ําท่วม60จังหวัดในเจ็ดจังหวัดเจหรือเ6ไม่รู้จังหวัดเดียวนี้มีกี่จังหวัดแล้วประเทศไทยเจ็หรือเ6็ด่ะหกจังหวัดน้ําท่วมเดือดร้อนน้ําท่วมปีนี้ ทั่ว60จังหวัดเดือดร้อนวุ่นวายถึงเรื่องน้ำท่วมและแตมาพูดไปแล้วในประเทศไทยน้ำท่วมเนี่ยทุกร้อนมันทุกชุมชนทุกหมู่บ้านทุกร้อนมีสุขสบายอยู่หมู่บ้านเดียวมันราชไม่อยากให้น้ำลดซะอีกต่างหากโอเวน กลัวน้ําจะลดบ่ยไม่ได้ฉลองน้ํามันจะเป็นกลัวยังไงล่ะมันก็ต้องลดถึงเวลามันก็ต้องลดนะมันลดแน่แต่มึงไม่ลดมันก็หวาไปจริงๆนะอาตมาไม่ได้พูดเล่นนั่นนะเขาทั้งหลายแหละเขาทุกเพราะน้ําท่วมแต่เราไม่ทุกเห็นไหมเพราะอะไรเพราะเราเกิดความเข้าใจเพราะเกิดการอยู่เป็นอยู่มีองค์ประกอบของวัฒนธรรม มีองค์ประกอบของการเป็นอยู่มีมวลมีมิตรมีสหายมีญาติมีพฤติกรรมมีการงานมีนนทนมีนี่ปีนี้งานสหกรณ์เราไปเปิดเพิ่มเติมอุทยานเราดีขึ้นแม่น้าท่วมเราก็ไปออกทางโน่นปีนี้ได้มาล้านแปดไม่ใช่ล้านแปดรงเงินขายได้จริงๆประาวห้าแสนมันประมาณนั้นส่วนเกินประมาณห0 0 0น เงินหมุนสองที่ประมาณล้านแขายทั้งโน้ตทั้งนี้นับตัวเลขแล้ววันนี้ขายได้เท่าไหร่ทั้งโน้นขายได้เท่าไหร่รวมกันไปรวมกันมาประมาณล้าน 8. และล้านแปดใเงินค่าแรงค่าอะไรแต่ไรส่วนเกินออกมามันเหลือเท่าไหร่ห้ 0,000 ถ้าเราสามารถมีกิจการมีอะไรแต่ไรต่างๆนะั้นเราก็ทําให้ได้อย่างนี้แหละอันนี้เนี่ยอัตรมาเห็นแล้วว่าเป็นสภาพ้าที่น่าชื่นชม อาตมาชี้ให้พวกเราดูให้สมนะท่านดูว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยขาดแคลนแรงงานแต่ไม่ใช่โอ้โหไปดูที่อุทยานนะแรงงานมันทำงานที่อื่นลอกเลียนไม่ได้นะตั้งแต่ตัวน้อยจนกระทั่งหัวเขาหงอกหัวขาวเต็มเลยพ น, กนักงานในที่อื่นลอกเลียนไม่ได้ยงสมองนี่น่าจะนั่งมองเขาไม่สามารถทำได้อย่างอุทยานบุญยม เขาจะเอาเงินที่ไหนมาจ้างถ้าเอาเงินจ้างจริงๆนี่ขาดทุนดเนระนาดเลยอุทยานบุญยมเนเอาเงินจ้างจริงๆนี่ขาดทุนดนรเนระนาดหมดเลยไม่ไม่เหลือหรอกห้าแสนไม่เหลือเอาเงินจ้างจริงๆไม่เหลือแรงงานเฟอ้อแต่มันอบอุน่นแต่มันน่าเอ็นดูเด็กสมุนพระรามช่วยเก็บนั่นช่วยยกนี่ช่วยหยิบนั่นไปนี่อะไร เคสปัทถูกวาดอะไรพวกคนที่เขามาพาลูกๆเขามาเนี่ยใส่เอี้ยมด้วยนะมีเอี้ยมผูกเนี่ยในกุมพลพลามตัวนน้อยดูที่นั่นน่ะตัวเท่าๆกับลูกเลยเขาทํางานขยันเน้นแม่ลูกนะเ น, น, นี่ยทำโน่นทํานี่ทํางานอนี่มีแต่เที่ยวมีแต่กินเด็กๆพว้นี้ไม่ได้ทําอะไรเป็นอะไรไม่เป็นอะไรเลยแต่นี่เขาเป็นชิ้นเป็นอันอะไรพวกนี้ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่มันเป็นของดีซึ่งจะสร้างขึ้นใหม่ให้แก่สังคมเพราะเด็กพวกเราชี้เขาบอกเขาบอกอันนี้เป็นคุณค่าของความเป็นคนเป็นสิ่งที่ดีของมนุษย์เราภาคภูมิเมื่ออยังเ ย, ย, ย, ย, ย, ย, ยจุกกรูชอบชุดนี้นะมันเป็นต้องสร้างสรรค์ให้เขาปลูกฝังให้เขาไปและให้เขาดีให้เขาเข้าใจต่อไปเขาก็เรียนรู้สูงขึ้นก็นหัดปล่อยวางเองมายึดมั่นถือมั่นเอง ส่วนใดที่ควรยึดมั่นเพื่ออาศัยก็ยึดไปก่อนเป็นลําดับลําดับลําดับไปก็คงจะเข้าใจในประสบการณ์นะว่าประสบอธิณายยึดประสบการณ์ต่างๆนี้มาขยายความอธิบายชี้อธิบายธรรมะให้ฟังในวันนี้วันแรกไม่ที่ได้เทศไม่ใช่วันแรกวานนี้วันวา น, วา น, นี้อะไรก็ไม่ทันเ่าเวทีก็ไม่ทันให้มันเยวเยว่ เ, เ, เ, เ, เ, เสียงดังอยู่ที่นี่กันเมื่อคืนเนี่ย เลิกกี่ยทุ่มอาตมาไม่รู้อาตมานอนได้สองทุ่มกว่าสามทุมไม่ถึงสามทุมนอนหลับแล้วเมื่อคืนนี้เพราะว่าจะเตรียมตัวให้เทศให้ได้ครบทุกวันทีท่านติ๊กขาบอกเอาวันเว้นวันแล้วกันนาบอกสู้ได้นะเทศทุกวันก็สู้ได้อาตมาว่าจะพยายามเทศทุกวันวันไหนที่มันไม่ไหวก็วันนั้นก็พักกันแล้วกันวันไหนมันไหวเทศทุกวัน งานนี้ก็แล้วกันนะอ้าวเอาละเลยมาแล้วตามคาแรคเตอร์ของโพธิรักษ์ได้เกินไปแล้ว7นาทีเอวัง อาตมาก็อายุมาถึงวันนี้มัน69้าย่างจะ6เดือนนะ น, นี่ถึงธันวาวันที่หทธันวาเนี่ยอาตมาหกเดือนอ า, อายุ69เ้าหเดือนทันเลยนั่นไปก็ไล่เขไปหาจะเต็ม69ไปถึงหมิถุนาเต็ม6กขึ้นเจดย่างมันก็อายุไม่เห็นน้อยแล้ว อายุขันอาตมาก็บอกไปแล้วอายุไขอาตมามันมี72็ดออาตมา ก, ก็คงต้องตายไม่ถึง8 3ท่อานพันหรอท่านพันได้ทั้งอาตมาไม่ถึง72นะก็จะตาย8 72อายุไขอายุขันประมาณนั้นก็พวกเราอย่าประมาทอาตมาก็พยายามนะพยายามที่จะใช้อิทธิบาท ใช้จริงๆพยายามจริงๆนะพยายามใช้อิทธิบาทเพื่อที่จะให้ขันนี่มันอยู่ยืนยาวไปมันจะได้หรือไม่ได้จริงเท็จแค่ไหนเราก็ไม่รู้ได้และอาตมาว่าอาตมาจะอายุไข72จนี่จริงเท็จแค่ไหนก็ไม่รู้ละอาตมาก็คือมันก็รู้มาเองตั้งนานแ่แหละแล้วก็ไม่ได้พูดตอนหลังนี่มากเลยเอ้าก็พูดกันไปเปิดเผยกันไปมีส่วนดีบางส่วนไม่ดีมันก็ไม่เป็นไรแต่คิดว่ามีส่วนดีกว่าเพราะตามกาละ ตามอะไรจะไใดพวกนี้มันก็น่าจะมีผลดีมากกว่าผลเสียอาตมา ก, ก็เปิดเผยก็บอกให้รู้กันอย่าประมาทมันไม่แน่มันอาจจะจริงตามนั้นอายุขายอาตมา72แล้วก็ต้องจากพวกเราไปถ้ามันจะจากอย่างนั้นแล้วถ้าพวกเราเองไม่แข็งแรงก็จะลำบากนะอาตมา ก, ก็เตือนว่านี้เป็นผลดีคิดมองในแง่ดีเป็นผลดีว่ามันควรจะต้องระมัดระวังควรจะต้องสังวรควรจะต้องพัฒนาอุตสาหาวิิยะ ก็คิดว่าอาจมาเป็นประโยชน์ถ้าอยู่ถ้าไม่อยู่แล้วพวกคุณก็อาจจะขาดประโยชน์เพราะมันจะขาดประโยชน์นะ้าระวังมันขณะที่มันยังอาตมา ก, ก็ยังอยู่ก็ควรจะให้ได้ประโยชน์อย่าปล่อยะละลเลยอย่าทำเป็นดูได้ไม่เห็นคุณค่าอ ะ, อะไรเขาเรียกอะไรนะมันหลุดไปจากมือแล้วก็ ค่อยๆไปร่ำร้องเอาแล้วมันก็ไม่ได้แล้วนี่อะไรสจำนวนคําบังเพลแล้วก็มีไหมนะไม่จะ่เจอปราเมื่อขวานบินอะไรเอาเจอไม้งาเหมือไหร่ไม่ใช่อ่ามันหลุดมือไปแล้วมันหสูญไปแล้วแล้วค่อยมันนึกถึงคุณค่ามันนึกถึงว่าเราไม่ควรเลยในขณะที่มีอยู่เราไม่ค้นขว้าเอา ไม่ปากเปลี่ยนเอามาถึงวาระนี้แล้วแล้วก็มานั่งรำร้องโหยหาบ่นถึงอะไรเงี้ยมันไม่ดีนะเพราะนี่ไม่ใช่ขู่แล้วก็ไม่ใช่ว่าเรื่องอัตรมาพูดไปนี่เป็นเป็น เ, นเรื่องที่หลายๆอย่างเป็นเหตุปัจจัยที่เป็นสัจจะไม่ใช่มาพูดเล่นไม่ใช่มานั่งสร้างเรื่องไม่มานั่งมุกนั่นนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องจริงและเป็นเรื่องที่เจตนาดีเห็นว่าเป็นผลดีก็พูดก็กล่าวกว็ยก เพราะั้นก็ขอให้เราตั้งใจกันความตายก็เป็นเรื่องธรรมดานั้นหนึ่งอย่า ก, กลัวทุกคนพยายามเข้าใจให้ดีมันจะตายก็ตายตายอย่างใจดีอารมณ์ดีทุกอย่างก็ต้องพลากจากกันพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วไม่มีอะไรจะไม่พลากจากกันนะะอีกอย่างอาตมาก็ไม่แน่ว่าจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่นะถ้ามันจะด2ไปจริงก็คือไปจริงแล้วมันก็ได้แค่นั้นก็ระมัดระวังเร่งไว แต่ว่าไปถึง72แล้วก็ไม่ได้หมายเขาว่าอาตมาถ้าผ่าน72แล้วจะต้องอยู่อยู่ร้อยร้ตามที่พูดไว้จริงก็ไม่แน่หรอกอาตมาก็ยังไม่รู้นะอาตมาก็ไม่ไม่ไม่ปักใจลงไปแล้วโอ้ยมันไม่ถึงหรอกจริงๆก็ไม่ได้ปักใจมันเผื่ออันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้แต่ยากก็คงยากแต่ยากก็ไม่เป็นไรก็พากเพียนเอาแล้วทำสิ่งที่ทำได้ยากอยู่แล้ว ถ้ามันผ่านไปมันจะได้กี่ปีก็ภาคเพียรอยู่ต้องใช้อิธิบาทตลอดนั่นแหล ะ, ะโดยใช้7จออย่างที่ว่านี่แหละอิธิบาสตั้งแต่ข้อแรกอิทธิบาทอารมณ์อาหารอากาศออกกําลังกายเอ็นกายเอาพิษออกจากร่างกายก็ใช้7จ อ, อนี่แหละภาคเพียรอยู่ทั้งหมดซึ่งพวกเราก็รู้กันแล้วก็พยายามภาคเพียรเอาอปรับตัวเอ็นกายเนี่ยหมายความว่าให้รู้จักภักรู้จักเพียร ให้รู้จักพักบ้างอย่าไปโหอมอย่าไปทำจนเกินแรงจนเกินเขตเกินขีดโอเวอร์โหลดเนี่ยคือเอนกายเอนกายไม่ใ่หมายเขาว่านอนลูกเดียวนะเอนกายนี่คือรู้จักพักนะรู้จักเอนกายรู้จักผ่อนไม่ใช่หมายเขาว่านอนหลับไปเอาแต่นอนไม่ใช่นะเอาแต่หยุดก็ไม่ใช่เอนกายคือรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวนะนอกนั้นก็คงเข้าใจกันได้แล้วก็พยายามรักษาใช้ประโยชน์จาก หลักเกณฑ์พวกนี้เพื่อที่จะทำให้ตัวเราเองดีอัตมามันา่นใจยุ่งกันว่าพวกเราจะเป็นคนอายุยืน อ, อาชาอาโศกนี่รุ่นก่อนแน่นอนมามาเมื่ออายุมากหรือมาตั้งหลักอะไรมันก็ยังไม่ได้มากพอเพราะฉะนั้นรุ่นต่อต่อไปนี้ยิ่งรุ่นเล็กๆๆพวกนี้ถ้าได้ปรับแล้วเขเ ข, เข้าใจใครใส่ใจเอามีระบบ5ออที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆอ้อที่ดีขึ้นไปเรื่อยเขาก็จะอายุยืนคนเหล่านี้จะอายุยืนกว่า รุ่นพวกเราไปอีกพวกเราคนไหนที่มีวิบากดีมีบุญก็ไปได้มันไม่มีบุญก็เอาเท่าไหร่ก็เท่านั้นก็ช่วยเหเฟืฟ้องฟายกันไปเกื้อกูลกันไปได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นกันกิแล้วกันนะก็คิดว่าในงานอะไรก็แล้วแต่จะเป็นงานศพงานเกิดงานอะไรก็แล้วแต่ที่เราตั้งกําหนดขึ้นมาแล้วก็เอาประโยชน์ให้ได้จากงานนั้นนัน้งานนี้ก็เช่นเดียวกันมีประโยชน์อะไรยิ่งคนนอกๆคนไกลๆ นานๆมาทีมาฟังมาดูมาสัมผัสแล้วก็เรียนรู้ให้ได้ชีวิตมันไม่ได้อะไรมากมาดอกเกิดมานี่ไม่ใช่จะมาหาหลาบยศสัมเสริญอะไรกอบโกยเอาอวดเอาเบ่งเอาคมคนอื่นก็ไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องดียิ่งระบบทุนนิยมมาถมาไม่มีเวลาจะพูดแล้วมันไม่ใช่เรื่องดีเลยทุนนิยมเป็นเรื่องเลวร้ายมีแต่บาปกับบาปมีแต่ความลําบากทําให้สังคมเดือดร้อนวุ่นวายทุนนิยมเนี่ย ซึ่งอาตมาก็ได้ขยายความมามากแล้วบุญนิยมมันนึจะไปรอดแล้วก็เป็นคุณค่าทั้งต่อตนและต่ อ, ตอสังคมมนุษยชาติในโลกบุญนิยมเนี่ยฟังพวกคุณฟังกันมาก็าคงจะเข้าใจกันได้กันดีนะราะไม่มีอะไรดีหรอกเกิดมาเป็นคนไม่ว่าจะส่วนตัวอยู่ในวัฏฏะสงสารนี่ไปอีกนานเท่าไหร่ก็ตามมีทางนี้ละทางเอกทางนี้ละทางยอดนะศึกษาดีๆคน้นควายอุตสาหะไปเถอะไม่จะไปกลัวบรรลุอลหรหันต์เร็ว อย่ไปกลัวภาคเพียรเอาไม่ภาคเพียรไม่ได้หรอกคุณได้แต่ชอบโอ้อยากได้อยากได้แต่ก็ปล่อยประละเลยให้กิเลสมันดึงทึงไปอยู่เสียท่าให้กิเลสก็อยู่ตลอดเวลามันไม่ได้เรื่องนะเพราะภาคเพียรเอาเราต้องการกําลังต้องการบุคคลที่จเจริญมาเป็นตัวอย่างมาเป็นหลักเป็นแกนให้แก่มนุษย์ชาติต่อไปด้วยเพราะทุกวันนี้มันโลกทั้งโลกมันเดือดร้อนกันมากจริงๆแล้วมันไม่รู้เรื่อง พูดไปก็เหมือนไปข่มเขายกตนข่มท่านอวดดีอวดดีดดพูดไปมันคล้ายๆอย่างนั้นแต่แต่ตมาพูดกับพวกคุณนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าพวกเรามันไม่สร้างคนขึ้นมาให้มันเป็นตัวอย่างแบบอย่างอันดีงามเพื่อที่จะได้ปลูกฝังสืบสารให้มีคนชนิดนี้เกิดขึ้นในโลกอีกโลกก็มีแต่ทุกข์กับทุกข์เดือดร้อนแต่เดือดร้อนวุ่นวายไปยิ่งจะยับเยินยิ่งจะไม่มีอะไรถ่วงดุน ไม่มีอะไรทําให้เขานึกเขาคิดไม่มีความหวังในโลกเลยโลกจะมีความหวังอยู่บ้างว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติก็อย่างที่พาเราพาเป็นมันเป็นทางสุดท้ายแล้วเป็นรถด่วนขบวนสุดท้ายแล้วมันไม่มีอันอื่นหรอกอันนี้แหละมาถึงวันนี้พอกคุณคงจะเชื่อตั้งแต่เริ่มต้นมาจนกระทั่งเริ่มมาจนกระทั่งสิบปียี่สิปีสาสิบปีมาถึงวันนี้แล้วก็คงจะเข้าใจแล้วว่าเออจริงมันเป็นจริงอย่างที่อาตมากล่าวไม่ใช่เป็นเรื่องไลไล่หลักฐานหรืออะไร สิ่งยืนยันอะไรสิ่งที่พอเข้าใจได้ไม่ใช่มันมีทั้งรูปเล่นนามขึ้นมาแล้วนะอ่ะวันละวันนี้มีเวลาพอสมควรเลยเวลาไปห7จนาทีแล้ว คนเหล่าใด